ขอกราบพระพอครูและมูรูงด้วยความกรุบยังสูงครับเขาจะดำเนินทำสำนึกดีผู้ฟังผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการเรียนอิสระตามสํานึกในขณะ น, นี้วันนี้วันศุกร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2556เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเสง็ง หรือเหมือนว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ข่าวศาสนากับข่าวการเมืองนี่ดูจะเป็นเรื่องที่สภากาแฟชาวบ้านสนุกสนใจเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรทั้งข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าในในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามเนี่ยคุณกิเลนประลองเชิงในคอลัมน์ชักทงลบก็ได้เอาเรื่องพุทธ พุทธพยากรณ์มาพูดถึงเหตุการณ์ที่พูดเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะโ ด, ดดโดยได้ไปคัดโดยได้ไปคัดมาคัดมาจากหนังสือตำราดูพระของคุณปุ่นโจงประเสริฐซึ่งเรียบเรียงมาจากคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของท่านอาจารย์พุทธทาสได้คุณ เ, เขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่า ตับลาดูพระเนี่ยได้ตั้งหัวข้อหัวข้อผู้นําแก่โดยยกพุทธภาติดตัดแก่ภิกษุที่ฝั่งแม่น้ําคงคาใกล้เมืองภุกาวเวลาพระเจ้านั่นตัดเลยว่าผู้นำแกเนี่ยหัขอผู้นําแก่เนี่ยบอกภิกษุทั้งหลายสําน้าหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องในโลกนี้ไม่ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นที่อยู่ของมัน ไม่ฉลาดเรื่องนิพพานอันไม่เป็นทีんん่อยู <worked> ่ของมารเป็นผ <D può> <Baby> really? ู gels, ้ไม่ฉลาดเรื่องเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องเวียนว่ายตายตายเกิดอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูไม่ฉลาดเรื่องนิพพานอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูนะคือคณะดุพามที่ไม่ฉลาดทั้งเรื่องโลกนี้เรื่องโลกอื่นอายังโลโกพลังโลโกคดีไม่ฉลาดเรื่องเวียนว่ายตายเกิด อันไปที่อยู่ของบาลก็ดีชนเราได้นะ <c oughs> เมื่อไม่ฉลาดเนี่ยแล้วชนเหล่านั้นก็ไปสําคัญถ้อยคําของสำหนาหรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์แก่ชนเหล่านั้นฟิ้นละกาลนานคือเรื่องที่ทําให้เราไม่เบียนเบียตใจเกิดนะเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าที่ทําให้เราพ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้ไปฟังนะแต่ไปฟังในสิ่งที่ ไม่ไม่ฉลาดฟังในถึงในถ้อยคาเหล่านี้ไปฟังในเรื่องอื่นเนี่ยแบบเชื่อเชื่อถือนะเหมือนกับทุกวันเนี้ยที่ชาวพูทกําลังทุกข์กันเนี่ยเพราะว่าฟังเรื่องพระ อ, อินย์จะมาสร้างวิมานอะไรเงี้ยนะเขากําลังทุกข์กันเนี่ยเพราะว่าเห็นทางตํารวจทางกองปราบเนี่ยแจ้งบอกว่ามีเจ้าทุกข์เยอะแยะมาลองลองทุกบางคนบริจาคเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วก็ตามเงตา ม, ตามหากันไม่อยู่ว่าบัญชีไปทางไหนเนี่ย เพราะว่าแต่เข้าใจว่าถิ้งเหล่านี้นะมันไม่ได้เป็นไปเป็นถ้อยคำเพื่อให้เราเข้าใจโลกนี้โลกหน้าถ้อยคำที่จะทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นอันเป็นไม่เป็นที่อยู่ของมานเมื่อเราไม่ได้พบกับถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นไปเพื่อทุกขสิ้นกาลนานนะไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์แก่ชนเราณสิ้นกาลนานเป็นไปเพื่อความทุกข์ แต่พุทธเจ้าก็ในเรื่องนี้พุทธเจ้าก็ได้อุปมาว่าว่าเรื่องนี้เคยมีมาแล้วโคบานชาวมคตหมายถึงคนเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นคนปัญญาทึบโดยกำเนิดไม่ํำนึงถึงฤ ด, ดูการในเดือนท้ายฤ ด, ดูฝนคื อ, อปกติจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีสมัยโน้นมมนได้มีสะพานข้ามแม่น้ำอะไรเงี้ยอันคนเลี้ยงวัวเนี่ยจะได้คนคนเลี้ยงวัวพระอาจาเปรียบว่า คนเลี้ยงวัวชาวมัคตเนี่ยเป็นคนปัญญาทึบนะเขาเลี้ยงวัวไปโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลในเดือนท้ายฤดูฝนไม่รู้ว่าฝนมันจะหมดเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่ไม่ตรวจตาดูฝั่งแม่น้ํำคงคาทางฝากนี้นะตอนนี้น้ํามันสูงหรือยังน้ํามันลดหรือยังอะไรเนี่ยไม่เคยสนใจงั้นงั้นพอเขาไปเมื่อเขาไม่ไสนใจฤดูกาลฤดูฝนจะมาน้ําจะท่วมอะไรเนี่ย เขาได้ต้นฝูงโคข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหารัฐฟากน้นตรงที่ไม่ใช่ท่าสาหรับโคข้ามด้วยนีคือเลี้ยงวัวแบบโง่ปัญญาทึบคนไม่อืมไม่รู้จักเวล่ำเวลาไม่รู้ไม่ดูว่าน้ํามันจะขึ้นหรือลงแล้วก็ที่สาคัญคือว่าไอ้ท่าที่จะขึ้นเนี่ยท่าที่ควรจะใช้วัวจะขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักอีกด้วยก็สรุปแล้วก็คือว่าเป็นคนเลี้ยงวัวแบบสเปซสปะ แล้วก็พาไล่ต้อนวัวเนี่ยลงน้ําโดยเข้าใจว่าจะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งที่ไปขึ้นนั่นน่ยก็ไม่มีท่าที่ให้วัวขึ้นด้วยฝูงโคเหล่านั้นที่เขาเลี้ยงจึงต้องว่ายเวียนไปมาในถ้ำกลางกระแสแม่น้ําคงคาเพราะไม่อาจข้ามขึ้นฝั่งใดไ ด, ได้ก็พากันถึงความตายในกระแสน้ํานั่นเองนะฝูงโคเหล่านั้นเนี่ยก็สุดท้ายก็พากันตายกันหมดแหะเพราะว่า กระแน้าก็เชี่ยวแรงแล้วก็ท่าที่พัวเหล่านั้นจะขึ้นขึ้นฝันนะท่าที่ขึ้นฝั น, ะนฝมันก็ไม่มีเขาคุณกิเลนรองเชิงก็สรุปนะว่าในหนังสือวิธีดูพระเกศพระแท้มีหลายเรื่องผมอ่านสองเรื่องผมอ่านเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงพระเถระมากมายในบ้านเมืองเราตั้งมีตั้งแต่มีข่าวหลวงปู่เนนคำเรื่อยมานะ ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเขาว่าเขาก็คิดว่ายังไงยังไงก็ช่วยจากการเรื่องนี้นะมันเหมือนกับเขาใช้คำนะใช้คำบอกว่าเหมือนล้างขี้เหม็นก้อนนี้ได้แล้วแต่ก็ยังมีขี้ก้อนใหญ่หญๆเหม็นอีกหลายก้อนให้ฝ่ายอาณาจักช่วยกันล้างขึ้นปไปว่าจะมีผู้คนมากมายเหมือนฝูเหมือนฝูงโคถูกคนเลี้ยงวัวโง่ต้นไปจมน้นําที่น่าสงสารก็คือโคไม่น้อย ไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกต้อนลังถูกต้อนไปจมน้ําและกําลังจะตายเพราะอะไรเพราะว่าก็สรุปแล้วคือว่าจะมีประชาชนอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ไปเชื่อนไปเชื่อในสิ่งที่โดยไม่รู้จักว่านิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรที่ที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงนี่เป็นอย่างไรนะ อันเป็นที่อยู่ของบาล น, นี่เป็นอย่างไรที่จะพาเราเรียนว่าแต่เกิดนี้อยู่เป็นที่อยู่ของบาลเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ไปฟันในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเหมือนกับทุกวันเนี่ยที่ว่าทุ่มเทเอาเงินทองทุ่มเทกันไปหมดเลยเพราะคิดว่าเออท่านจะพาเราไปสวรรค์ไปวิมานมีวิมานชั้นฟ้าชั้นลนชั้นนี้น่ะแต่ถ่งเหล่าเนี้ยคุณกิเลสปรลองเชิญก็ถลุแล้วว่าจริงๆแล้วก็น่าสงสารโคนน้อย ทั้งโคน้อยโคนใหญ่แล้วที่กำลังถูกต้อนลงน้ําไปแล้วก็ไม่มีท่าให้ขึ้นแล้วน้ําก็เชี่ยวกลากอย่างเงี้ยยังมีเยอ ะ, ะหัวข้อนี้ก็มาจากหัวข้อที่ว่าพิสูจผู้นาแกเพราะไม่มีความรู้ความฉลาดรู้พระเจ้าจะใช้คำว่าไม่ฉลาดเรื่องนิพพานอันไม่เป็นที่อยู่ของมันเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นที่อยู่ของบริตอยูไม่ฉลาดเรื่องนิพพาน อันไม่เป็นที่อยู่ของมริตาอยู่เพราะไม่เข้าใจความลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้พวกประชาชนก็กเหมือนกับโคน้อยหรือฝูงโคที่ถูกต้อนไปโดยคนเลี้ยงวัวที่ไม่ฉลาดก็วันนี้ขาคิดว่าเราคงจะมาฟังเรื่องที่มันฉลาดหน่อยนะเรื่องที่ทำให้เราถึงนิพพานเรื่องที่ทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องที่มรตยูเนี่ยจะไม่เข้ามายุ่งเราเรา ในโอกาสนี้คงต้องขอลาษนาพ่าครูอาจารผู้อา ธ, าธิบายในเรื่องนี้ครับอ้าอจตมาก็คงจะอธิบายธรรมะที่ถ้าพูดไปแล้วก็ว่ายากยากเพราะที่กำลังอธิบายอยู่เนี่ยตมาอธิบายในระดับปรมาทธรรมแล้ว <c oughs> พูดถึงเรื่องรูปนามพูดถึงเรื่องกาย เรื่องสัญญาเนะี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ภาษาคนธรรมดาฟังใจก็จะเข้าใจไปตามภาษาแหละสัญญาก็เข้าใจไปตามภาษางนี้เป็นต้นหนึ่งรูปเรื่องนามก็ถ้าไม่สมาธิจริงๆอสามารถที่จะปฏิบัติจนกระทั่งมีสภาวะจิตเจตสิ่รูปนิพพานอะไรบ้างเป็นลําดับลําดับ ตามฐานะของแต่ละบุคคลที่พัฒนาไปแล้วก็จะเกิดผลเกิดสิ่งที่มีจริงให้เราเองอ่านจากสภาวะธรรมต่างๆของเรานะได้แต่ทีนี้ส่วนมากแล้วมันยังแม่อตัตมาพูดแล้วก็เกรงใจอตัตมาก็ไไปว่าเขาส่วนมากเ็ายังมิฉาทิฏฐิมันยังไม่สมาถธิกัน คนอาตมาก็ต้องขออภัยก็ต้องว่าต้องพูดความจริงนะ่ะนะไม่พูดมันก็ไม่รู้จะว่าไงนันเลี่ยงไม่ออกเมื่อยังไม่ยังม่ชาิทิฏฐิยังเข้าใจไม่ถูกต้องตามสัจธรรมพระพุทธเจ้ามันก็มันก็ไม่ถูกตรงแล้วมันก็ไปสเปส ป, ปะเลอะเทอะกันไปกันใหญ่นะก็อาตมาก็ยังดีนะมันยังมีคุณ 5, แปดเจ็ดศูนย์ห้าไปแสดงความเห็นของทาง ที่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ชัดที่ผิอ ย, อยู่นั่นแหละเข้าใจกันแสดงความเห็นนั่นออกมาออกมาให้อัตมาได้เอามาใช้งาน <c oughs> ก็ขอบคุณขอบคุณคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันอยู่อย่างนั้นอัตมาก็พยายามอธิบายไปอาตามความเห็นที่อัตมาก็มีความเห็นเช่นนี้ความเห็นของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็ถือว่าเป็นตัวแทน ของพทุทีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในศาสนาพุทธในวงการศาสนาพุทธนี่ mm. ก, ก็คล้ายๆกับคุณแปดเกษนนี่ยมีเยอะมีเยอะมีมากนะจะเข้าใจตามที่อัตมาอธิบายหรือเข้าใจนี่มีน้อยเพราะฉะนั้นทางโน้นก็มั่นใจว่าไอการมีผู้รู้เยอะๆเป็นหมู่เป็นพวกนี่ถือว่าถูกแล้วเพราะมันประชาธิปไตยนี่นะ mm. มูมากที่รวมก็ต้องถือว่าถูกบางทีนะ <c oughs> ก็เป็นหลักเกณฑ์ตัดสินในหลักหลักอันนึงนะหลักวิธีตัดสินความอแม้แต่ในพระพุทธเจ้าจะตัดสินความก็ใช้เอาเสียงข้างมากเย <c oughs> บุิสกาเหมือนกับประชาธิปไตยทุกวันนี้แต่ในเสียงข้างมากนั้นมันมีใยญาติลึกซึ่งซับซ้อนอยู่อีกเยอะนะที่เอาเสียงข้างมากคนมมูมากเห็นด้วยไม่ได้เพราะง่ายๆ คนในโลกนี้มีกิเลสมากหรือว่ามีกิเลสคนที่มีกิเลสเนี่ยมีจานวนน้อยนะไม่มีกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสนี่มีจำนวนมากใช่ไหนะเพราะอันจะเอาคนมีกิเลสไปจำนวนมากเนะี่ยมาเป็นเหตุผลหลักฐานที่เป็นเครื่องวัดตัดสินว่าอย่างงี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วมันไม่ไดนะ้อย่างนี้เป็นต้นนะพอจะามาแสดงทำไปเมื่อวันวานนี้วันที่สิบ ในวันที่สนะิบเอ็ดคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็เอ s เอมเอสมาอีกนะต่างๆที่ของวันที่เก้าอัตมาก็เพิ่งจะอ่านวันที่แปดว่าจะจะตอบก็ยังไม่ได้ตอบเอาของวันที่เก้าที่คุณคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าอเอมเอมาอ่านแล้วก็ว่าไปก่อนหมดเวลาเพราะมันถึงรายการชั่วโมงเดียววันนี้สองชั่วโมง แต่พอเมื่อว า, วานนี้ว่าไปแล้วคุณแปดเจ็ดศูนย์หน้าก็เอสเมมาอีกนะเมื่อวานนี้วันที่สิบเ็ดนิดเดียวอัตรมา ก, ก็จะอ่านก่อ น, นจะได้ไม่ตกหล่นเพราะมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วจะได้อธิบายขยายความโดยอาศัยเหตุปัจจัยเป็นประเด็นต่างๆที่คุณแปดเจ็ดศูนยาแสดงออกมานั่นแหละเ ป, เป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็น สิ่งที่นำพาให้อัตมาได้อธิบายธรรมะต่างๆ ต, ต, ต่อๆไปคุณแป0เจ่าอยหว่างงี้บอกว่าโพธิรักลองไปอ่านวิปัสสนาญาณ16บหกใชไหมะระเมื่อวานนี้ที่เอ s มาพูดถึงเรื่องเจตวปริยาน16วิปัสสนาญาณ16บอัตมาก็อธิบายไปบ้างแล้วคุณแ7 0เจห้าก็เลย SMS มมาอีกทีเลยเมื่อวานนี้เสร็จ พอที่ักลองไปอ่านวิปัสนาสิบหวิปัสนาญาณสิบหกใชหม่จะเห็นว่าญาณหน 1, 2, 3, นะึ่งสองสามญาณสิบหนี้อาตมา ก, ก็บอกไปแล้วว่าน่าจะเป็นว่าคุณแปดเจศนห้าหมายถึงโสรถยานนะซึ่งวิปัสนาญาณจริงๆนี่จะเรียกรวมเลยก็มันก็พอได้นะเพราะว่าวิปัสนาเป็นชื่อใหญ่นะที่จริงวิปาาัสนาญาณท่าน ที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านหมายไว้ในเะก้าเก้ายานไปถึงสิบหกแล้วอธมาอธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้นะอะวันนี้ข้อผ่านณนะทีนี้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านเอาหมายเอาสิบหกอันนั่นแหละเรียกว่าวิปาานะัสานาญาณโซรตญาณนั่นแหละตั้งแต่นามารุ ป, ปราปิเจตญาณไปจนต้องถึงปัจจะยปะิปถึงปัจจเวคัญญาณนั่นแหละอญาณที่สิบหกนั่ น, ะ น, นแหละได้อ่านใหม่ใช่ใหม่ว่า จะเห็นว่ายานหนึ่งสองสามจะเห็นว่ายานหนึ่งสองสามเนี่ยยังเป็นสมมุติอยู่ยานสิบหกนี่ยานหนึ่งสองสามเนี่ยยังเป็นสมมุติอยู่ว่งังนนาะคุณคุณแปดเจ็ดศุนย์ห้าว่าเพราะยังไม่เห็นปรมัตนยังไม่เห็นปรมัตแต่พอถึงอุทธภยาอุทธพยาญ า, านคือยานที่สี่ หรือเป็นญาณที่เห็นความเกิดดับของนามรูปรูปร้รคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นปรมานั่นเองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาอย่างแท้จริงก็เพราะที่เห็นอนัตตานั้นพอเนอันนี่คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันมีคําว่าอนัตตาอยู่ในสามคำนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณแปดเจ็ศูนห้าก็ เห็นบอกว่าใครเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูปนี่นะเห็นความเกิดดับของนามรูปนี่เป็นสามไตรลักษณ์เนี่ยนะคนนั้นเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดตั้งอยู่ดับไปนี่คนนั้นเห็นอนัตตาแล้วคือเอาคําว่าดับไปนี่เป็นอนัตตาไม่ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีไม่มีมันดับมันไม่มีอนัตตาเป็นปรมาสนั่นเองว่างกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาอย่างแท้จริงก็เพราะเห็นอนัตตานั้น เห็นอนัตตานั้นเห็นตัวนี้ซึ่งมีอยู่เฉพาะในศาสนาพุทธนั้นเหตุนี้เราจึงบอกว่าการเห็นอนัตตาคือเบื้องต้นของวิปัสสนาญาณฟังดีๆนะการเห็นอนัตตาคือเบื้องต้นของวิปัสสนาญาณหรือเบื้องต้นของพุทธนั่นเอง และการที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั้นจิตต้องปราศจากอุปาทานผู้จะเห็นเห็นอนิจจัง uh, ทุกขังอนัตตาได้นั้นจิตต้องปราศจากอุปาทานว่าเป็นตนหรืออัตตาให้ได้น่าต้องต้องปราศจากอุปาทานว่าเป็นตัวตนหรือเป็นอัตตาเนี่ให้ได้บ่างั้นเลยนะต้องให้ได้ซะก่อนผู้ใดจะเห็น อนิจังทุกขรังอนัตตานี่จะต้องเป็นผู้ที่หมดประทานปราศจากประทานว่ามันเป็นตัวตนหรือเป็นอัตตาให้ได้ซะก่อนนะถึงจะเห็นอนิจังทุกครังอนัตตานะแต่ก็ต้องเห็นด้วยอนัตตาด้วยนะต้องเห็นอนัตตาซึ่งจริงๆมันก็เป็นตัวที่สามแล้วนะอนัตตาไม่ใช่ตัวต้นอนิจังมันตัวต้นทุกครั้งตัวที่สองอนัตตาตัวที่สามแค่นี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวต้นแต่เอาเถอะ เดี๋ยวอ่านของคุณ8705ไปะต้องเห็นอ่าว่ามันปราศจากอุปทานต้องมีจิตปราศจากอุปทานน่ะเป็นตัวตนหรืออัตตาให้ได้ซะก่อนด้วยนอัตมาก็ยิ่งชัดเจนว่าเนี่ยที่คุณ8705ว่านน า, าศาสนาพูดเราเนี่บอกว่าการเห็นอัตตาอนัตตาคือเบื้องต้นของวิปัสสนาหรือเบื้องต้นของพุทธนั่นเองแค่นี้อัตมาก็ ฟังความคิดอันนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เข้าไปถึงปรมัติตไม่ได้เข้าไปถึงสภาวะอะไรเป็นตกะแท้ๆของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเพราะว่าสภาวะของกิเลส ก, ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะและ้วคว่าอนาัตตานี้ก็คือเห็นความไม่มีไม่ใช่ตัวตนเหมือนกนมันไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเห็นตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนใครเพียงเห็นตัวตนอยู่ตามที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเข้าใจนั่นะแหละนะอาจมาก็ ชัดเจนตัวคุณแปดเจ็ดนห้าอยู่ว่าเข้าใจอย่างนี้นแล้วเรื่องต่อบอกว่าจิตต้องปราศจากอุปทานอีกนะคนที่หมดอุปทานเลยนะเรียกว่าหมดหมดอุปทานโดยเฉพาะยิ่งหมดอุปทานดีเลยอ่าหมดอุปทานในขั้นห้าเป็นต้นโอ้ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นอหรหันต์เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอุปทานนะหมด รูปานักขัรูปานักขันโทหมดเวทนาเวทนาเวทนานุปานักขันโทสัญญาณอุปานานัขันโทหมดอุปทานของรูปอุปทานของเวทนาอุปทานของสัญญาอุปทานของสังขารอุปทานของวิญญาณเรียกว่าหมดอุปทานถ้าปราศจากอุปทานหรืไม่มีอุปทานนึ่งก็คืออรหันต์แต่แต่คุณนี่บอกว่าเบื้องต้นเห็นอนาตตานี่ไม่มีตัวตนตั้งเบื้องต้น ไม่จะอรหันแล้วต้ปราศจากอุปทานอีกด้วยสัมผัสเลยว่าอาตมาก็เห็นปราจากอุปทานนี่นะมันหมดเลยอุปทานนี่หมดอุปทานในเครื่องนี่มันก็ต้องปราศจากอุปทานก็คือหมดเลยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่เป็นตัวจบเพราะในอุปทานในเรื่องอะไรอื่นๆอีกแต่แต่อุปทานสี่อุปทานในทิฏฐิอุปทานในกามก่อนเบื้องต้น หมดอุปทานในการหมดอุปทานในทิฏฐิหมดอุปทานในศิลิปุปปทานหมดอุปทานในอัตวาทุปาทานที่จริงจะบอกว่าหมดอุปทานในอัตวาทุปาทานนี่เป็นเบื้องต้นอาตมายังพอฟังขึ้นพอฟังขึ้นอะไรฟังขึ้นเพราะว่าคําว่าอัตวาทุปาทานนี่คือคนมีอ well ุปทานยึดติดแต่วาทะเท่านั้นว่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็นตัวตน ได้แต่คําพูดได้แต่ตรร ก, กะได้แต่ความคิดนี่แหละคุณแปดเจ็ดศูนห้านี่แหละได้แต่ภาษาได้แต่ความคิดได้แต่ตรร ก, กะได้แต่วาทะเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นท่านหลุดพ้นตัวนี้นะเป็นเบื้องต้นถูกแล้วถ้าอันนี้ลราเป็นตัวต้นเบื้องต้นถูกแล้วไม่มีอุปทานตัวนี้เปลี่ยนอุปทานเป็นอั ต, ตวาทุปาธานนี่แล้วก็ไปเรียนรู้อุปทานตัวกามปาทาน เรียนรู้ทิฏฐปาทานที่เป็นความเห็นเป็นอุปาทานในความเห็นที่เป็นเท็นผิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยต้องไปศึกษาเข้าไปอีกเลยและศึกษาศีแลแตะพะตปาทานอุปาทานที่ไปยึดในศีลในพระในวิธีปฏิบัติซึ่งมันยังมิจฉาอยู่หรือแม้แต่ไม่มิจฉาสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ต้องยึดทั้งทิฏฐิที่สมบูรณ์มันจะไปยึดกามมันหมดแน่นอน ศีลด้วยวิธีปฏิบัติปฏิบัติได้แล้วเป็นสัมมาด้วยสมาศีนสดสมามัชสมาสัมปทานเป็นการรู้ทางปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สัมมาด้วยปฏิบัติได้ผลจบแล้วก็ไม่ต้องใช้เรือไปอ้างปฏิบัตินีนเหมือนกับมีเรือมาพายข้ามฝากนะพอจบแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องหอบเรือไปด้วยอะไรงี้เป็นต้นนะซึ่งคุณแต่เจษฎาเคยว่าอาตมาเหมือนกันอันนี้ จำนวนนี้ของพระพุทธเจ้าท่านว่านะก็ยิ่งเห็นชัดว่าของคุณนี่มันแฝงติ ม, ม, มย้ำเข้าไปเป็นพยัญชนะทั้งนั้นหมดอุปทานก่อดีหมดตัวตนก่อนก็ดีซึ่งจิตประเภทที่ปราศจากอุปทานเห็นว่าเป็นอัตตานี้ที่แม้จะปราศจากชั่วคราวอตอนนี้มาอธิบายอีกทีนึ่งว่าแม้จะปราศจากชั่วคราวก็ตามก็เรียกว่าจิตวิมุตตเรียกวิมุตต์อีกนะนอกจากจะหมดตัวตนแล้วไม่พอหมดอุปทานอีกเรียกวิมุตต์อีกโอ้โหหนักเลยนะ มันลักษณะของผู้เป็นอรหันต์เลยนะเป็นผู้อาหารหัต์ตะพลเลยนะเนี่ยแม่ชั่วคราวก็เป็นอาหารหัต์ตะพว่า ง, งั้นน ะ, ะคลา ย, ยางนั้น่ะอ่าแม้จะประสจจาทชั่วคราวก็ตามก็เรียกว่าจิตวิมุตต์แล้วเพียงแต่ยังเป็นวิมุตต์ของปุตุชนไอ้ปุตุชนมันมีวิมุตต์ได้อย่างไงเอาภาษามาชนภาษานี่เห็นชัดเจนเลยว่านี่ต ก, กะแล้วตะ ก, กะยังมั่วอีกต่างหากเอาเหตุผลก็แค่เหตุผลแค่ตะ ก, กะเนะี่ว่าปุตุชน กับวิมุตต์เนี่ยมันคนละพวกมันคนละคนมันคนละมันคนละคุณลักษณะมันคนละคุณสมบัติมันค น, คนละคุ ณ, ค น, ค, ณคนละคุณภาพคุณภาพของปุตชนนั้นไม่มีวิมุตต์ให้ตายยังไงก็ไม่มีวิมุตต์นะเดี๋ย ว, ยวอัตมาจะขยายความวิมุตต์คืออะไรไม่มีวิมุตต์คืออะไรและจะได้เห็นได้ว่าคุณแปดเจ็ดศูนห้าหลงวิมุตต อะไรลงไปหลงอะไรสภาวะอะไรว่ามีมุติเดี๋ยวเดีาาา๋ยขยายอ่านจบอีกนิดหน่อยจบเพียงแต่ยังเป็นมีมุดของปุถุชนที่ย่อมกลับมากําเริบเป็นวีมุติที่กลับมากาเริบนะได้อีกเสมอจึงเรียกว่าส ม, มยาวิมุตโตไงนี่ย้ําเลยนะสมติสมยสมยะคือในยุคในสมัยในเวลานั้นสมยาวิมุตโตไงฉะนั้นโพธิรักควรจะเก็บความโง่ไว้คนเดียว อย่าได้เผยแพร่ความโง่อีกเลยอ่าห้ามชาไปซะแล้วห้ามว่าให้อัตมาเผยอย่าเผยความโง่ออกไปอีกเลยนี่ห้ามชาซะแล้วเพราะอัตมาได้เผยความโง่มาสี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็ตั้งใจจะเผยความโง่ไปอีกจะต่ออายุพยายามจะให้อายุยาเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดปีแล้วจะตั้งใจเผยความโง่ที่คุณ เจ7 0หน้าเรียกอาตมาว่าเป็นความโง่ของอาตามานี่แหละไปเรื่อยๆ อ, อีกเพราะงั้นอันนี้ขออภัยคุณ870หน้าว่าคุณยับยังผิดเวลาซะแล้วเพราะอตาตมาได้ล่วงเกินได้ล่วงละเมิดหรือได้ล่วงการกระทํานี้มาอย่างทั้งลงทุนทั้งลงแรงทั้งตั้งใจทั้งจิตอย่างว่าเป็นกําแพงแข็งที่เปลี่ยนไม่ได้ซะแล้วคุณปเจเ870หน้าเอ้ย อาตมาก็จําเป็นที่จะต้องเผยความโง่ของอาตมาต่อไปก็ใครจะฟังความโ ง, องอ่อาตมาก็ตั้งใจฟังนะที่คุณประเด็นที่บอกว่าเป็นยังเป็นมิมุติของปุถุชนที่ย่อมกลับมากําเริบได้อีกเสมอสิ่งที่กลับกำเริบอยู่นั้นอาตมาไม่แย้งหรอกว่ามันยังไม่มั่นคงยังไม่เป็นสมาธิยังไม่ตั้งมันมันก็กําเริบได้มันยังไม่ถึงอสังก ป, ปัง ที่อาตมาก็เคยย้ำว่าคุณสมบัติของธรรมมาผู้เจ้านั้นสุดท้ายจริงๆมันหมายถึงขั้นสุดท้ายนี่จังตุวังสัตตังอวิปปานิรามพตมังาสังรังสังกุ ป, ปังนะเพราะงั้นคําว่าสองคำนี้เท่านั้นที่อาตมาพูดไปแล้วว่าคําว่าวิมุตต์ของปุุชนเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเลยว่าเป็นภาษาเป็นโวหารจริงๆที่มันเป็นไปไม่ได้นะขออภัยเถอะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆมัน ภาษาฝรั่งเขามักชอบใช้เท่ๆว่า impossible นะเป็นไปไม่ได้นะสภาวะของวิมุตต์คืออะไรสภาวะของวิมุตต์คือกิเลสไม่มีฟังความดีนะกิเลสไม่มีไม่ใช่อยู่ว่างๆบักตรงนี้ก่อนคำว่าวิมุตต์นันคือหลุดพ้นจากภพภูมิที่มีกิเลสไป หรือนิโรธก็คือกิเลสดับวิมุตหรือนิโรธแลนิพพานก็ตามคือกิเลสไม่มีแม้แต่ในขณะนั้นๆก็คือกิเลสไม่มีไอขณะนั้นๆที่มันเป็นวิมุตที่มันเป็นนิโรธนั่นแหละก็เรียกว่าสมยวิมุตหรือสมยสมยนิโรธที่คุณแปดเจสุนัาไปเอาภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้ามาเลยนี่แหละ สมัยก็คือสมัยนั่นแหละเวลานั้นกาละนั้นยุคตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นนะ่ะขณะนั้นจะเป็นช่วงคราวที่คุณนี่หมายนี่หมายช่วงคราวสมัยวิมุตตินี่หมายความว่าช่วงคราวไงเป็นปุตตชนมีวิมุตติช่วงคราวไงอย่างนั้นเลยนะที่อาตมาฟังดีๆมันจะละเอียดลึกซึ้งนะคุณแปดเจ็ดศูนห้านี่หมายถึงว่าวิมุตต์แต่อาตมาว่าคุณแปดเจ็ดศูนห้ายังเข้าใจวิมุตติยังไม่ได้เลย เข้าใจแต่เพียงว่าเข้าใจวีมุติอาตมาเข้าใจตามที่คุณปดเจสุนา้าสาธยายอะไรไรมานี่นะว่าเข้าใจว่าคุณแปดเจสุนาได้เข้าใจวีมุติว่าในตอนนั้นไม่มีอัตตาตามในยะที่คุณแปดเจสุนห้าหมายเนี่ยแหละเป็นการปราศจากอุปทานปราศจากอัตตาตามที่คุณแปดเจสุนห้า สัญญากรรมนดหมายว่าอ no ุปทานเป็นอย่างนี้อัตตาเป็นอย่างนี้มันต้องไม่มีเมื่อไม่มีก็วิมุติไม่มีก็คืออนัตตาไม่มีก็อนัตตาไม่มีก็วิมุติเพราะฉะนั้นถ้าจะไปยึดวิมุติก็ไปยึดอัตตาไปยึดอแม้แต่ยึดอนัตตาก็ตามท่ันคุณแปดเจ็ดสือนพูดอย่างนี้แหละจะยึดอัตตาหรือยึดอนัตตามันก็อุปทานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีมิตรเลยไม่มีอุปทานเลยนะโดยเข้าใจว่าวิมุตินี้ เอาพยัญชนะมาใช้อัตตาก็ดีอุปทานก็ดีเอามาใช้ก็ต้องไม่มีอุปทานก็มีอัตตาก็ต้องไม่ไม่ใช่ไม่มีเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อุปทานหรือว่าจะถ้าเอาอุปทานของคิดว่าต้องใช้คําว่าไม่มีมั้งไม่ได้บอกมานะว่าอุปทานจะจะจะให้ขออ่ะแต่ใช้ภาษาว่าไม่มีหรือไม่ไม่ใช่อาจารมาก็ขอถามคืนไปหน่อยเพราะว่าคุณใช้คุณใช้พยัญชนะเลือเกินนี่ คุณเล่นแต่พยัญชนะนะี่ะอาตมาว่าคุณไม่ได้พยาพูดภาษาสภาวกิกาตมาเลยอาตมาก็เลยจำเป็นต้องย้อนไปถามคุณถึงพยัญชนะหน่อยเนาะว่าอุปทานนี่จะใช้คําว่ามีหรือครับใช้คําว่าใช่จะบอกนิดก็ได้นะอ่าเพราะเรี้กปราศจากปราศจากก็คือปราศจากอัตตาปราศจากอุปทานและบอกว่าเรียกว่าวิมุติมันปราศจากนี่เลย ว, วิมุติชั่วคราวว่า ง, งั้นเรียกว่าชั่วคราวนะ แล้วก็เอาภาษาวิชาการมาใช้เลยว่าสมยาวิมุตต่โจคราวมันเป็นตอนนั้นละกาละนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นวิมุตต์โจคราวโดยก็จะว่าวิมุตต์เนี่ยล้วก็กลับมาอีกได้โดยมันลึกซึ้งซับซ้อนอยู่นิดนึงแต่ว่าวิมุตตของคุณแปดเจดสนาคืออะไรซึ่งต่างจากของอาตมาต่างจากของอาตมาคำว่าอัตาก็ต่างสัญญาต่างกัน สัญญาของคุณแปดเจ็ดูนห้าสัญญาคําว่าอัตตากับอัตมา ก, ก็ต่างกันสัญญาคําว่าอุปทานก็ต่างกันสัญญาคําว่าวิมุตตินี่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นภาวะหรือกายะองค์ประชุมองค์ประชุมของนามรูปรูปนามที่คุณแปดเ็ดศูนห้าได้กับของอัตมาจะได้กันเนี่ยปฏิลาโภจะเป็นคนละอยา่างน่ะจะได้กันคนละอย่างเป็นปฏิลาบคนละอยา่างนะ อธิบายตอไปอีกนิดหนึ่งว่าสภาว่าของวิมุตตนั่นอ่ะคือกิเลสไม่มีไม่ว่าจะเป็นสมยะวิมุตตคือวิปขณะนั้นก็ตามซึ่งเป็นตอบนะฟังดีนะอาตมาขอใช้ภาษาวิชาการพระพุทธเจ้าหน่อยการมีวิมุตตนั้นก็คือเป็นสภาพที่ต้องรู้จักเนคข ม, มะเนคข ม, มะโดยเฉพาะเนคข ม, มะอุเบคา ขั้นอุเบกขาเลขภาษาวิชาการว่าซึ่งเป็นอเนกขมสิตะอุเบกขาจะต้องอ่านเวทนาในเวทนาเป็นอ่านออกโดยเฉพาะเวทนานี้เป็นมโนปวิจารณที่ปฏิบัติในมโนปวิจารส์18ป ถ้าเป็นมนโนปวิจาสิบแปดของโลกีของปุตุชนเรียกว่าเคหสิตะเวทนาสิบแปดของปุตุชนอุเบขาของปุตุชนก็มีนี่คุณแปดเจ็ดสิบห้านี่กําลังหมายถึงอุเบขาตัวนี้แหละเรียกว่าชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยวิมุติชั่วคราว ว, รา ว, วิมุติปุตุชนอุเบคาคือฐานวิมุตคือ กลางจิตกลางกลางแล้วจิตไม่มีอะไรจิตกลางๆงจิตเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสนาไม่มีเอรูปไม่มีผลนะไม่มีดูไม่มีผลจิตกลางกลางจิตเฉยๆไม่มีไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสนะนิวรณหน้ไม่มีอุเบกขาเนี่คือนิวรณหน้ไม่มีนะไม่มีถ้าจะว่าให้จบแล้วไม่มีแม้แต่ปิติสุขจิตเป็นเอกกเตา น่ะจิตตอนนั้นเป็นเอกกัตตาแต่จิตเทหะสิตเวทนานั้นไม่ได้ไม่มีนิวรณไม่ได้รู้จักนิวรณไม่ได้ดับนิวรณแต่จิตมนุเบขาพักยกมันเฉยๆพักยกเป็นลักษณะของโลกีตรลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป มันก็ไม่มีมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไปอื่นไอ้ช่วงที่ไปอื่นนั่นแหละกลับกําเรื่อได้อีกเคหสิตาไม่จบแต่นี่คุณแปดเจ็ดศนห้าก็ไปหลงเข้าใจว่าอุเบกขาเคหสิตาอุเบกขาคือตัวมนโนปวิจารตัวพักยกนี่แหละมนโนปวิจารณ์สิบแปดนี้ต้องปฏิบัติตาหูจมูกรินกายใจหกทวาร และต้องเรียนรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาสามเวทนานี้ในทั้งตา ก, กระทบรูปหูกระทบเสียงทั้งหกทวารนั่นแหละก็เป็นสิบแปดมโนปวิจารณคือสิบแปดเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี้ไม่รู้จักมโนปวิจารสิบแปดพิจารณาสติปัฏฐานสีเวทนาในเวทนาไม่เป็นขออภยัยอาตมาพิจารณาพิพากษาคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าพิพากษาจาก ภูมิธรรมที่คุณแสดงออกมาเนี่ยแหละจับพยัญชนะที่คุณแสดงออกมาให้อัตมาได้ดูรายทีขอ้อเพรจริงๆนะอัตมาไม่ได้ต้อ ง, องการขม่มคุณหรอกและไม่ต้องการว่าคุณหรอกไม่ได้บอกว่าคุณอ่าคุณนั่น่ะจะอะไรละ่ะแม้จะอัตมาก็ว่าจะว่าไม่ผิดมันก็ไม่ได้อัตมาก็ต้องว่าคุณผิดอัตมา ถ, ถูกแต่แน่นอนคุณว่าคุณถูกยืนยันว่าคุณถูกแล้วอัตมาก็ กำลังพูดกำลังอธิบายเนี่ยอาจจะอธิบายว่าอัตมามั่วพูดอะไรไม่รู้เรื่องอัตมาเชื่อนะออกจะเชื่อว่าอัตมากําลังพูดเนี่ยคุณแปดเจ็ศูนห้าไม่รู้เรื่องอัตมาออกจะเชื่อว่าไหมนะอัตมากําลังอธิบายนี่ใครรู้เรื่องบ้างยกมือจีอ้าวแล้วอัตมาว่าอัตมาไม่ได้พูดเลอะเทอะมั่วอะไรเลอะเทอะคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่มีผู้รู้เรื่องในฟังยกรับรองอัตมา แต่คุณออกจะเชื่อออกจะมั่นใจว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าฟังไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะไม่รู้เรื่องของมนโนปวิจารณ์สิบแปดเวทนาในเวทนาสิบแปดและต้องรู้จักเวทนาในเวทนาอีกสิบแปดเรียกวันเน่คัมมะสิตะเวทนาซึ่งก็เกิดจากอายตนาหกหรือผัสสะหกนั่นแหละ เกิดจากทวารทั้งหกนัแหละวิญญาณหกนั่แหละเขามีหกไงที่อาตมาย้ําแล้วว่าในพระพุทธเจ้าตรัสในปฏิสบุบบาทในปฏิบัติจะต้องวิญญาณหกอรยธรรมหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกมันมันมันมันมันชัดเจนปานนั้นนะแต่คุณนี่ก็ยังแย้งอยู่ว่ามันไม่หกเรามันหนึ่งเอาแต่จิตเท่านั้นเข้าไปข้างในปฏิบัติต้องอยู่ข้างในไม่มีหก อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทิฏฐิต่างกันของคุณไปดเจ็ดศูนหน้าของอตาตมาต่างกันเพราะฉะนั้นยิ่งอธิบายไปยิ่งเห็นจะต่างกันมโนปวิจาริสแปดอุเบกขาที่บอกว่าพักยกที่ไม่มีอัตตาไม่มีอุปทานเนี่ยมันตะกะทั้งนั้นของคุณมันไม่ใช่เนคขมะสิตตะอุเบกขาที่เรียกว่าวิมุติมันวิมุตนี่แหละวิมุติชักราแต่จะเรียกวิวมุตจัวกราของพระเจ้าคือเนคขมะสิตตะอุเบกขาที่เป็นเนคขมะ กลางนี่มีมุติคือฐานมีมุดฐานอุเบกานี่คือฐานมุดที่ปฏิบัติจิตเป็นฌานและเริ่มเป็นจิตที่จะได้สะสมลงไปเรื่อยๆเป็นสมาธิในอนาคตฌานก็คือดับกิเลสฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสฌานหรือเผาไฟนี่ฌานแปลว่าไฟกองใหญ่เผาเพราะฉะนั้นถ้าทําให้พิจารณาไฟนี่เป็นไฟปัญญานะฌานนี่คือไฟปัญญาไฟปัญญา วิปัชนัญ น, นี่แหละไฟปัญญาคือวิปัชนัญ น, นี่แหละสติปัฏฐานก็จะเกิดวิปัชนาญญาณวิปัสน า, น า, นสนานหรือเรียกว่าวิชชาวิปัชนาญคือญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงญาณที่เห็นสภาวะสัพพะสภาวะนั้นจริงเรียกว่าวิปัชนาญเห็นอย่างยิ่งเห็นอย่างพิเศษเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะพิเศษของอริยบุคคลที่เห็นปรมรัตาเห็นจิตเจตสิกรูปนิพานนะ ตานถ้าคุณยังแยกเคหสิตะเวทนากับเนคมะสิตะเวทนายัางไม่เป็นโดยเฉพาะจะ ต, ต้องอ่านรู้วเวทนาแม้ที่มันยังไม่ถึงขั้นวิมุตต์วิมุตต์ก็คือต้องปฏิบัติให้สมยวิมุตต์ขณะนั้นต้องเป็นอุเบกขาในขณะที่ยังเป็นโสมนัสโท ม, มนัสอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าวิมุตต เพราะมันยังมีอุปกิเรณ์ในมโนปวิจารณ์สิบแปดนี่มีโสมนัสโธมนัสหรือสุขกับทุกข์นั่นแหละแล้วก็อุเบกขานั่นแหละแต่ท่านเป็นทางจิตภายในท่านเรียกโสมนัสภโทมนัสโสมนัสคือสุขโธมนัสคือทุกข์มันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของจิตละเอียดถ้านถึงใช้ศัพท์คําว่าเนคขมาสิตะโสมนัสเวทนาหรือเนคขมาสิตะโธมนัสเวทนาเคหัสิตะก็เหมือนกัน แกจย์ตัก็เรียกสมมนัตเวรนาหรือโทมมนัตเวรสนาเหมือนกันนะคือภายในสุขทินสก็ไม่ใช่สุกิเสียนนี่ไม่ใช่อตัวห้านี้ตัวตวมโนปวิจาร์มโนปวิจาร์ไม่ได้เรียกสุขหรือทุกมโนปวิจาร์เรียกสมมนัตหรือโทมนัตนะเพราะงั้นถ้าคุณไม่รู้สภาวะของมโนปวิจารไม่รู้สภาวะของเนกคขมมะ คุณก็โมงเมว่าอุเบกขาเคหัสิตตะอุเบกขานั้นเป็นวิมุตตุปุตุชนปุตุชนมีวิมุตต์ไม่ได้มันเป็นตร ก, กะเป็นภาษาเท่านั้นเองภาษาถึงชี้บ่งเลยว่าผู้พูดนี้ไม่รู้ประษีภาษาเหมือนเด็กๆเด็กๆไม่รู้ปภาษีภาษาอยังเด็กๆอยู่นะไม่รู้ภาษีภาษาอ่อนะา บุคคลไม่ใช่มีวิมุตตไม่ได้ไมันจะวิมุตตแต่ไปเข้าใจหลงว่าปัสจากชั่วคราวสมยะวิมุตตเลยไปเข้าใจว่าปัสจากตอนนั้นคือมันเป็นเป็นอุเบกขาเนี่ยเป็นฐานนิพานจิตมันว่างว่างจากนิวรเนี่ยจิตว่างจากนิวรณนั่นแหลคืออุเบกขานะเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีอุปกิเลตมีปิติมีวิตกวิจัยมีปิติมีสุขอยู่ เอาเริ่มต้นฌานที่สามมันจะมีอุเบกขาเริ่มขึ้นมาแล้วฌ า, านสี่ก็อุเบกขาสุข ก, ก็หมดเลยสมุทสุกที่เป็นโลกียะหมดเลยก็มีแต่อุเบกขาฌานที่สี่จริงจะเป็นฐานที่ผ่านสมบูรณ์หมดอุปกิเรณ์แต่ถ้าจะเอาแต่ว่าฌานหนึ่งเป็นเป็นสภาพสมัยวิมุติก็ไม่ว่ากันแต่คุณก็จะต้องรู้ว่าฌานนั้นคือการทําให้จิต ไม่มีกิเลสรู้ว่ากิเล ส, เลสไม่ใช่ว่ามันพักยกมันเฉยๆอุเบกขาเคหัสิตะอุเบกขาแล้วก็ไม่รู้สภาวะธรรมที่เป็นจิตเจ ต, ตสิกแท้ๆโดยเฉพาะโลกีและโลกุตระเคหัสิตะเป็นโลกีนะเคหัสิตะเป็นโลกีท่านนี้ขมาจึงจะเป็นโลกุตระและโลกุตระก็ะมีเก้าอย่างท่านโสดาปฏิมัก สกิทาคามีเออสุราปฏิมาสุดาปฏิพนสกิทาคามีมกักสุทาคามีพนอนาคามีมกักอนาคามีพนอรหัตมัตอรหัตผลและโลกุตระมีเก้าโลกุตระมีภาวะเก้าภาวะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความหมายของคุณเนี่ยแสดงว่าคุณมณสิการไม่เป็นทําใจในใจไม่เป็นมีแต่ตักกะกับต ก, กะ แอนเดตกะมันไม่มีการรู้จักจิตจากใจทําอะไรใดๆผลมีได้นะข้อพไธยธรรมมาพูดจยางเน้นอย่างพูดให้ชัดนะ่ไไดนะไม่ได้ต้องการข่มคุณหรอกนะไม่ได้ต้องการข่มคุณเลยแต่ต้องการพูดสภาวะที่จริงเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่ภาวะของการมณสิการการทําใจในใจอย่าง ถูกต้องอย่างแยบคาอย่างโยนิโซมันไม่ใช่มันเป็นการตักกะคิดเอาแต่นั้นว่านี่แหละมันไม่ใช่มันต้องมันเห็นอณาตตาเห็นอะไรก็เห็นมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงแล้วก็ไปเอาภาษาอย่างสมบูรณ์ด้วยนะมาใช่ว่าอนิจจังทุกครั้งอณาตตาไงอณาตตาเนี่ยแปลว่ามันมันไม่มีมันไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ว่าไม่มีได้ไปขัดแย้งเขาเขบอกอณาตตาเขาต้องใช้เขาไม่ใช่ไม่ใช่คําว่ามีไม่ได้นะ ยึดอย่างนั้นเลยเอา้าอัตมาก็ไม่ว่าเขาตามอนุโลมตามได้นะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนต้องเห็นอนัตตาเห็นโดยว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะก็เห็นไหมล่ะก็ท่านตรัสอยู่แล้วว่าอนิจยังทุกขังอนัตตาไม่รู้จักอนัตตาเนละี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะเพราะฉะนั้นต้องเห็นตัวนี้น่ะต้องเห็นตัวนี้ว่างั้นเห็นตรงเป็นจากไหนโอ้เก่งสุดเลยนะไปเห็นถึงคั้นอุทัพพยานุปนนัชชนญาณ อาจาก็อธิบายมาแล้วตั้งแต่เริ่มอย่าว่าแต่อุทัพยานุปสนายานเลยการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันเริ่มเห็นตั้งแต่สมณนายานสมุสรญาณ น, น, นเริ่มเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนะแล้วคุณนี่ก็บอกว่ายานหนึ่งสองสามนั้นยังไม่ใช่ปรมัตา์เป็นสมมติ นาว่างันนะยังไม่ใช่มันอย่งนีม่เห็นปรมตัตมันยังเป็นสมมติอยู่อัตมา ก, ก็ยังเข้าใจตามที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าพูดมาเองนี่นะว่ายิ่งชัดยิ่งเข้าใจชัดว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์้าไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปประจิตอรูปประจิตอะไรพวกนี้ไม่รู้จักจริงๆเลยคุณแปดเจ็ูนย์้าไม่รู้เลยพูดอินโนเซนต์มากเลย ไม่รู้จริงๆว่าพูดไปเนี่ยพระฌานหนึ่งก็เริ่มต้นเห็นจิตเห็นเจตสิกแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วนา ม, มารูปป ร, ปริเชษฐานะเป็นปรมัตแล้วเริ่มต้นเห็นจิตในจิตแล้วเห็นเวทนาในเวทนาแล้วแม้ว่าจะเห็นตอนแรกอาตมาก็แยกอธิบายตามพระเจ้าจอธิบายก็เอาสู่พระผู้เจ้ามายืานยันนะว่า ผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือผู้ที่นปฏิบัติในพันธะปิดกเล่มสิบแปดมากยก็ยกอ่างบ่อยๆข้อสองร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิบสี่ข้อส25 <c oughs> องรอห้าสิบสี่มิจฉาทิฏฐิสูตรผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะต้องมีผัสสะมีผัสสะ และก็จะต้องมีเวทนาแล้วจึงจะเห็นนั่นแหละเห็นสภาพที่มันเกิดกายเกิดองประชุมของที่เกิดเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยกายของอะไรกายของเวทนาพวกเราฟังคำว่ากายมันมากแล้วบ่อยมากอาตมาธึงขยาความวันนี้ก็ขอใช้ให้ชัดๆกายของเวทนาคือองค์ประชุมของเวทนา เวทนาเป็นเจตสิกธรรมเวทนาก็ตั้งกระตาว่าหมวดหมวดในเจตสิกธรรมหรือว่าความรวมองค์รวมของเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ประชุมหรือองรวมของเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมนรวมความรู้สึกแล้วในความรู้สึกที่คุณพักยกเป็นอุเบกขาธรรมชาติมีปุทชชนมีทุกคนมีเป็นเคหัสิตอุเบกขา เพราะคนไม่เรียนแต่คุณมีไม่ใช่วิมุตไม่ใช่วิมุตธรรมุตก็คือดำน้าไม่ใช่วิมุต่าส ม, ม, ม, ม, มุตก็ดำน้ะแม้แต่เริ่มต้มนมาว่ายานหนึ่งสองสามยังเป็นสมุด ย, ยังไม่ใช่ปรมัติอันนี้ก็ต่างกันกับอตมาอตมาเห็นว่า เริ่มต้นยานสิบหกนี่เป็นปรมัทิตย์ไม่ใช่สมมติไม่ใช่สมมติสัจจะไม่ใช่สมมติธรรมเป็นปรมัทิตย์ธรรมเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงคืออะไรก็แยกนามแยกรูปนามารูปปริเฉติยาณหมายความว่ากำหนดรู้รูปนามได้ปัจจะญาปริกะหะยานาโกสูงขึ้นข้อที่สองส่วนลดยางข้อที่สองก็หมายความว่า ก็สามารถรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยปัจจยญปริกหายานะกําหนดรู้ประเหตุรู้ปัจจัยของนามรูปเต็มเต็มในข้อสองก็คือนามรูปปัจจยญปริกหยานะคําเต็มเต็มมีนามะรูปะด้วยข้อหนึ่งนั่นคือนามรูปปริปริกนามรูปปริเชตญาณส่วนข้อสองนั้นนามรูปปัจจยญปริกหยาน รู้เหตุรู้ ป, ปัจจัยของนามของรูปไปอีกเพิ่มขึ้นข้อสองข้อสามสมัชนญาณเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามของรูปต่างๆเห็นแล้วแต่คนเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นเห็นสมัชนญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมดาเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเออมันเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับแปเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไ ป, บไปแล้วมันคงที่ไหม ทำว่าไม่คงที่เนี่ยมันแปลว่าเที่ยงได้ไหม <li ly> ไม่คงที่แปลว่าเที่ยงได้ไหม feet, ไม่ได้มันแปลว่าไม่เที่ยงไม่คงที่คือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงภาษาวิชาการทางภาษาธรรมะว่างไงไม่เที่ยงอาานิจจ์เริ่มเห็นอา น, นิจจงโดยความเป็นอา น, นิจจ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเออมันไม่คงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็นนนเกิดขึ้นอยู่ดับไปอะ มันก็มุนอยู่างนี้แหละหมุนอย่างนี้สมัสนาญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็นี่แหละเริ่มต้นทราบความเห็นความไม่เที่ย ง, รงพร่างผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงนี่คือพ้นมิจฉาทิฐิแต่คนที่พ้พนความไม่เที่ยงนี่นะไม่ใัดพน้นเห็นความไม่เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ้นมิจฉาทิฏฐินี้เปเหตุเพียงเท่าไหร่นี่แหละเหตุเพียงเท่านี้ ท่านการกับพิสูจน์ในพระไตรปิฎกเล่มสิบแปดข้อสองร้อห้าสิบสี่นี่ท่านการอย่างเงี้ยมีพิสูจนมาถามว่าพ้นมิชาทิฏฐินี่มีเหตุปัจจัยเพียงเท่าไหร่นี้แหละเห็นปัจจัยเพียงเท่า น, นี้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันสมมติยานี้ไม่เที่ยงหล้วนะเหตุความเกิดขึ้นต้องอยู่ไปแต่ยังไม่เห็นทุกขงังใน ข้อ255ข้อ254มิจฉาทิฐิสูตรข้อ255ในพระธรรมวินั18เนี่ยสักกายทิฐิสูตรสูตรนี้พลความเหมือนกันหมดต่างกันที่ว่าไม่ใช่เห็นโดยความไม่เที่ยงตอนนี้เป็นทุกขโตเห็นด้วยความเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นเห็นด้วยความเป็นทุกข์นี่ชื่อหัวข้ อ, อนี้ว่าสัก กายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิอันนั้นพ้นมิจชาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้จะพ้นสักกายทิฏฐิก็คือผู้ต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพื่อความเหมือนกันมีตากระทบรู้มีหูกระทบเสียงทั้งหกมีผัสสะเหมือนสมปัสจัยเวทนามีเวทนาอ่านเวทนาในเวทนาออกมีทุกข์มีสุขอธิว่าเนี่ย แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขความทุกข์ความสุขเกิดความไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่มีก็เห็นความไม่เที่ยงและผู้ที่สามารถรู้ทุกนะโดยความเป็นทุกข์ก็คือต้องรู้ทุกพอรู้ทุกแล้วเริ่มต้นรู้อาการทุกทุกนั้นอยู่ที่ไหนเอาแล้วตอนนี้ก็เอาของคุณแปดเจ็ดศูนห้าที่อ่านข่าวก่อนนู่นมา คุณแปดเจ็ดศูนยห้ายืนยันว่าทุกเนี่ไปเห็นอยู่ที่คนอยู่ที่คนเขาเดินไปเดินมาเป็นก้อนทุกจําได้ไหมอาตมาอยู่ในแล้วไม่รู้ไอ้ น, นั้นของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอันเก่ามันหลายวันแล้วมันก็เลยผ่านมาเราไปวางไว้ซ้อนไม่ตรงไหนก็ไม่รู้อเจอะพอจําได้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันอาตมาไม่ได้โมโทเมหรอคุณแปดเจ็ดศูนห้าพูดมาจริงๆบอกว่าเล่ามาตนเองบอกโอ้โหเป็เดินขึ้นตะพานลอยแล้วก็มองผู้คน อ่าผู้คนก็มองไปเห็นมนุษย์ทั้งหลายเป็นก้อนทุกข์นั่นก็คือตักกะก้อนทุกข์คุณไปเห็นเขาได้ยังไงว่าเขาทุกข์อัตมาก็ะแจงไปแล้วตองก่อนนี่ว่าเขาอาจจะสุขก็ได้เขาเดินไปนะเขากําลังสุกจะตายเลยโอ้โหแต่เป็นสุขโลกียะนะเขาทุกข์ที่ไหนเขาสุขโลกียะแต่ทุกข์มันก็โลกียะแน่และแต่สุกนี่ก็คือโ ล, โลกียะ สุขถ้าจะขอยยืมภาษามาเรียกก็เรียกว่าบุปสมงโมสุขหรือปรมังสุขขังสุขที่ไม่มีสุขโลกียะมันจึงวิเศษยิ่งกว่าสุขปรมังสุขขังก็คือสุขยิ่งวิเศษกว่าสุขมันไม่ใช่สุขที่โลกียะเป็นเดาไม่ได้ไม่เหมือนกันเพราะสุขอย่างโลกียะน่ะบำเรอกิเลสกิเลสสมใจได้รับบำเรอกิเลสก็เป็นสุขพอใจยินดีแต่ของปรมัตเนเนฆมานั้น อกิเลสนะมันลดลงไม่ใช่ว่ากิเลสมันยิอ้วนขึ้นพอได้สมใจกิเลสมันก็ยิ่งหนายิ่งอ้วนได้แบบปุถุปุจจชนแต่นี้ไม่ใช่ปุจุชนไม่ใช่กิเลส น, กลสนักิเลสยิ่งลดลงต้องตามเห็นซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ภาษาหนึ่งอนิจจานุปัสสีตามใป็นความไม่เที่ยงปัสสีหรือวิปัสนาเนี่ยแหะปัสสะปัสสีตัวเดียวกันนี่ปัสนาปัสสีปัสสีเนี่รากศัพท์ตัวเดียวกันเห็นสัมผัสเห็น ตามเห็นอนุปัตสีเห็นความเป็นอนิจจ์ของอาการของสภาวะแล้วก็มาเห็นความเป็นทุกข์หรือยังไม่เห็นความไม่ใช่ยังไม่เห็นต้องเห็นก่อนเห็นความเป็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ต้องวิจัยเหตุปัจจัยของมันปัจจยปริฆหายานะแยกเหตุแยกปัจจัยได้แล้วก็กําจัดตัวเหตุเมื่อกําจัดตัวเหตุได้ ความจางคลายก็ลดลงลดลงก็ตามเป็นความจางคลายเรียกว่าวิราคานุปัสสีอันนี้เห็นตัวตนของกิเลสเรียกว่าสักกายะลดสักกายะเห็นตัวสักกายะนั่นเรียกว่าพ้นสักกายะเฉพาะความเห็นแต่ตอนนี้เป็นความจริงไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่ความรู้แต่นี่เป็นความจริงได้สัมผัสสัมผัสอยู่ขณะไหนเมื่อนั้นพ้นสักกายะเมื่อนั้น พ้นความเป็นสักกายทิฏฐิเป็นการพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งและยิ่งเห็นเหตุที่มันพาทุกขหรือมันเหตุที่ให้เกิดตัวตนอยู่นั่นแหละสักกานี่แปลว่าตนกายานี่คือองค์ประชุมสักกายกือองค์ประชุมของเจตสิกธรรมที่ต่อเนื่องมาจากปัสตะเพราะการปฏิบัติ ต้องมีตาหจูจมูกลิ้นกายปัจจะแล้วเป็นของสดแ้าศัพท์คำว่าสดนี้พวกเราก็น่าจะเข้าใจแล้วเพราะอัตมาใช้มาบ่อยแล้วนะมันเป็นของสดเห็นอยู่จริงๆ <c oughs> แล้วเราสามารถเห็นพิจรารณาพิจาราเวทนาในเวทนาจนเห็นตัณหาเป็นตัวเหตุของเกิดสุขเวทนาที่จริงไม่ใช่สุขตอนนั้นเราไม่ได้ให้มันมันเป็นทุกข์อ่านเหตุได้อาการอย่างนี้เป็นอาการทุกขเวทนา เป็นอาการของทุกข์หรือโทมมนัตเวทนาทะเนายคำมากก็เรียกว่าโทมมนัตทัามาโนโปวิจารเลขโทมมานัตเพราะเห็นข้างในแล้วตอนนี้มันจะกายในกายเข้าไปแล้วพอสัมผัสนี่มันเป็นกายนอกองค์ประชุมที่รวมทั้งรูปประกายรวมทั้งรูปประรูปแต่รูปประรูปคืออันนั้นเพราะเกิดองค์ประชุมมีทั้งนามธรรมมาร่วมรูปธรรมก็เป็นรูปประกายรูปประกายจากนอกก็เข้าไปเป็นกาย เป็นกายในกายในกายเมื่อถูกรู้ก็เป็นนามรูปกายในกายเนี่ยพอถูกรู้ของกายในกายเป็นนามรูปแต่ถ้าเผื่อว่ารู้ข้างนอกยังมุ่งเอาตัวข้างนอกอยู่รัดรัดตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าเป็นสัญญายังไม่ไปกําหนดภายในแต่สัญญากําหนดภายนอกอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยคุณกําหนดภายนอกนี่เรียกว่ารูปรูปเรียกว่ารูปประกาย ที่จริงรูปกายต้องมีนามกายยะ น, นี่เป็นนามนี่แหละพวกนักวิชาการหรือว่านักปฏิบัติธรรมมานี่จะงงมากกายมันเป็นนามได้ยังไงวะเอาเถอะจะต้องไปศึกษาให้ดีเลยกายมันเป็นรูปกดได้นะแต่ถ้าคำว่ารูปกายในภาษ า, ษาธรรมะที่เจรนาสติปทานสี อาณาปานสตินี่ก็ตามโพธิปกายธรรมก็ตามมันต้องรวมหันเลยทั้งรูปและนามเพราะคำว่ารู ป, ปกายเนี่ยมันรวมทั้งนามมาทำทั้งหมดกับรูปข้างนอกที่ต่อนเนื่องกันอยู่ถ้าคุณหลับตาหรือคุณปิดหูหมดเลยปิดทวารหน้าข้างนอกอยู่ข้างในก็เรียกว่านามกายทั้งหมดไม่มีรู ป, ปกายไม่มีรู ป, ปกาย ภาพอยู่ข้างในเลยนะคุณตัดตาหจูจมูกลิ้นกายใจไม่รับรู้เลยอยู่แต่ข้างในในใจจิตในจิตอยู่ในผวังเลยอันนั้นเรียกว่านา ม, มากายและนา ม, มากายที่คุณสามารถอ่านมันออกนั่นเรียกมันว่านามมารูปเพราะมันถูกรู้โดยการกําหนดรู้ของเราเองสัญญากําหนดรู้นามข้างในของเราเรียกมันว่านามมารูปมันถูกรู้ ถ้ามันเป็นสภาวะเป็นเรียกอีกสภาวะนึงเรียกว่าองค์ประชุมก็มันก็เรียกว่านามกายเป็นองค์ประชุมก็มันเรียกว่านามกายแต่พมันเป็นสภาวะที่ถูกญาณของเรากําหนดรู้ได้แม้คุณหลับตาคุณอยู่ในผวังจริงเวทนามันก็เกิดอยู่เกิดได้ตัดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเขาไปอยู่ในผวังเลยนั่งเข้าไปเจโตสมุทะเข้าไปข้างใน คุณก็อ่านในข้างในเวทนาอารมณ์ความรู้สึกคุณก็อ่านได้อารมณ์และความรู้สึกข้างในที่คุณขณะนั้นคุณตัดข้างนอกแล้วคุณไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยเนี่ยเห็นแต่ข้างในนั่นแนะ่ะอันนั้นแหละเรียกว่านามกายแท้ๆและคุณสามารถอ่านนามกายคนออกนามกายนั้นก็ถูกญาณของคุณเป็นตัวรู้มันก็เลยเป็นนามมารูปมันถูกรู้รูปมันคือสิ่งที่ถูกรู้ อ่ะมาก็ตามเดี๋ยเต็มใจจะเมื่อยเพราะพวกเราเองแท้ๆเนี่ตั้งใจฟังตามเนี่ยมันยังไม่เข้าใจง่ายๆใช่ไหมมันยังไม่ง่ายนะใครยังคุ้มๆก็เครืออยู่อย่าอายยกมือเลยใครยังคุ้มๆก็เครืออยู่เอ้อยังเยอะเห็นมหมใครพอเข้าใจบ้างเออก็มีบ้างโอ้แต่น้อยเนาะคุ้มๆก็เครือยังเยอะฮะ พูดที่ยังไม่มีสภาวะอย่างชัดเจนแต่อัตมาพระพุทคุณมีสภาวะแต่มันยังไม่คมยังไม่แหลมยังไม่เก่งในตัวอย่างรู้ตัวอย่างรู้ตัวกำหนดรู้ยังไม่สัญญายังไม่เก่งตัวกำไป็นกำหนดหมายรู้ต้องอ่านเพราะฉะนั้นต้องต้องปฏิบัติบ่อยๆอ่านโอมันก็จะชำนาญมันก็จะมีญานปัญญาแหลมคมสัญญาก็จะคมสัญญาก็จะเก่งในการที่จะสอดส่อง นะเลนของสัญญามันก็จะคงขยายได้เก่งขยายละเอียดได้เก่งขยายเล็กได้ใหญ่ขึ้นอะไรนี้เป็นตน้นเปรียบเทียบเป็นแบบรูปธรรมเท่าตา ม, มาตั้งใจขยายนี้นี่เป็นการตีงูให้กากินเหตุปัจจัยจากคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าพูดมาเท่านั้นประเด็นของคุณแปดเจดศูนย์ห้าพูดมาที่ พูดมาถึงเรื่องอะไรต่างๆนานาวิมุตตก่อนแล้วอุปทานก็ตามอัตตาก็ตามที่อ่านไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าเนี่ยนคนโพธิรักคนจะเก็บความโง่ไว้คนเดียวอย่าได้เผยแพร่ความโง่อีกเลยสงสารสตรีเด็กคนชราจะต้องพลอยมาโง่ตามว่างั้นโอ้โหเป็นคนใจบุญเป็นคนใจทานเป็นคนใจ เกลือนกูนจริงๆเลยกลัวคนอื่นจะมาหลงตามอาตมาอาตมาถ้าจะพูดบ้างว่าอาตมาว่ากลัวคนจะไปหลงตามคุณนะ่ะนะอาตมาก็ต้องยิ่งสงสารจะไปหลงตามคุณนะถ้าเขามาหลงไม่ใช่หลงเราถ้ามาอยู่อาตมามาเดินอาตมาเนี่ยเมื่อกี้ถามเานะ้าแล้วเขาก็ไม่หลงเขาว่ายังไม่รู้เขาคุมเกลือเาก็บอกเราเยอะเขาก็พยายามตั้งใจเขาไม่หลงนะเนี่ยไอ้ที่เขาพอรู้เขาก็บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หลงอะไรนะ แต่ยังไม่อยากถามจะแจใครรู้ชัดแจ้งดีครับยังไม่อยากถามเท่าไหร่เท่านัน้นเองก็เอาแค่นี้ก็พอก่อนนะเพราะว่ามันไม่ง่ายคําพีราทุตสาธุรนุโพทานี่จริงไหมแปลว่าอะไรรู้ปะพระเจ้าว่าธรรมะของท่านนี่นะคําพีราทุตสาธุรนุโพทาสั้นตาปณิตาอัตกาวจรารันิปุนาบัณฑิตะเวทนิยาเนี่ยมาโอ้โหคําพีราคือลึกซึ้ง ทุตสาเห็นตามได้ยากคือมันจะสัมผัสเห็นมันเห็นเห็นหรือมีทัศนะที่จะเข้าใจก็ยังยากยิ่งไปสัมผัสเห็นผุดสติหรือผุดผุดสิตวาเลยผุดผัสสะเลยมันยิ่งยากกว่าธรนุโพธาโพธิตัศรูมันยิ่งจะรู้อย่างเข้าใจตัศรูรู้ตาพระเจ้าท่านตรัตจุครบจรสมบูรณ์เป็นความตัศรูโพธิธรนุโปโพธา มันยิ่งยากใหญ่เลยโพธ้าหรือโพธิมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ใช่ไหมมันจะเรื่องง่ายแม้จะเป็นเรื่องสั้นตาเรื่องสงบปณีตาเรื่องที่ประณีตละเอียดสุขมุมก็ยังยากอัตกาวัราไม่ใช่ตักกะนะจ๊ะอัตกาวัชราไม่ใช่เป็นไปอย่างตักกะตามอย่างที่คุณแปดจน์ห่าว่ามานี่ทั้งหมดเนี่ย อตาตมาเขายืนยันนะว่าอตาตมาย่ามาอตาตมาชัดเจนตามที่คุณแสดงออกมาเนี่ว่าคุณยังไม่ประสาวิมุติคุณใช้ภาษาคำว่าวิมุติของปุตุชนท่านั้นอตาตมาก็ชัดเจนแล้วว่าคุณจับแพะชนแกะเอาวิมุติไปชนกับปุตุชนเพราะปุตุชนวิมุติไม่ได้ขออาภายัยถ้าอตาตมาจะพูดอีกไ ม, ไม่พูดดีกว่าพูดไปไประเดี๋วก็จะไปเกี่ยว ไปภาดพิงมันจะพูดจะพาดพิงนั่นเองจะมาอย่างพาคพูเิงไปถึงอาจารย์ที่ท่านท่านท่านพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่อัตมาแต่ท่านก็มีสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าคุณแต่เจ็ดูนย์ห้าเยอะแต่สิ่งที่อันนี้ท่านก็คล้ายๆกันนี้และ ว, ว่าวิมุตต์โทคลาวิมุตต์จำลองแต่ทำไมได้พูดว่าวิมุตต์ปุถุชน ท่านพูดว่าวิมุตต์ลำรองวิมุตต์เฉาคราวหรือนิโรธเฉวคราวนิพพานเฉวคราวใชนิพพานลำรองอะไรเนี่ยท่านพูดอ่ะแต่มันจะต้องชัดว่านิพพานจริงๆนั้นคือภาษาท่านพูดนั้นนะมีะ ร, รยายละเอียดละเอียดนะไม่ใช่ผิดทีเดียวแต่อาตมาเอาคําพูดที่ท่านพูดมามาพูดที่อาตมาม่พูดเมือ่อกี้เพื่อว่าประเดจะเข้าใจว่าอาตมาเปรเียบเทบกับคุณปเปชสุน่าซึ่งมันไม่ใช่คุณปเปชสุน่ากับท่านที่อาตมาคำนวณยกตัวอย่างในคนะระดับ อันนั้นท่านมีเป็นอริยภูมิอันนี้ยังไม่ใช่อริยภูมิคุณไปดเจสุน่ายังไม่ใช่อริยภูมินะเพราะงั้นจึงเอาวิมุติไปยัดใส่ปุถุชนเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไม่เข้าใจสภาวะยังไม่เข้าใจสภาวะเลยมีแต่ตะ ก, กะล้วนๆเพราะว่าคุณ น, นี่เอาแม้แต่ที่สุดคุณยังเอาพยานชนะอุ่นไปดเจสุนอาพยานชนะมัดหม่ น, นี่คงภาคภูมิใจมากเลยนะบอกว่าอธิบายว่าอาก็จิต ก็เรียกว่าจิตวิมุตต์เนี่ยนะถ้าเพราะว่า ม, มันปราศจากอุปท า, านแล้วปราศจากอัตตาแล้วแม้ชั่วคราวก็ตามเป็นจิตวิมุตต์แล้วตอนเนี้ย่ในจะชั่วคราวก็ตามปราศจากอุปท า, านปราศจากอัตตาเนี่ยเป็นวิมุตต์แล้วเรียกว่าวิมุตต์ปุถุชนอถึงย่อนมากลับคําเริ่มได้อีกจึงเรียกว่าสมัญญาวิมุตโตไงว่าได้พยัญชนะคําว่าสยมสมัยยาวิมุตโตมาซัดอัตมาตุ้มเขคิดว่า โอ้โหเนี่อาตมาถูกดีดพึ่งตีลังกาเล ย, ยนั้นเนี่ยอาตมาคงอั้นตู้แล้วตอบไม่ได้เลยว่างั้นนะคงโอ้โหจนทางเลยก็มันชั่วขณะไงในสมัยนี่คือในขณะนั้นแหละขณะอัคคะละนั้นขณะนั้นเวลานั้นสมัยนี้เป็นวิมุตติสมัยนีใช่คําว่าสมัยนีวิมุตติใช่มีจริง แต่มันอุเบกขาที่เนกขมะสิตะอุเบกขานะจ๊ะถึงเรียกว่าสมยะวิมุตถ้ายังเข้าใจอย่างคุณปุตุชนอยู่นี่ไปเคหะสิตะอุเบกขาเป็นปุตตุชนเนี่ยมันไม่ใช่วิมุตมันไม่ใช่วิมุตนะจ๊ะขอย้ำขอยืนยันนะเพราะงั้นอันนี้เนี่ย ถ้าเป็นเนคคัมมาสิตะอุเบขาในระดับต้นๆเฟรลาธรรมก็ได้เริ่มเริ่มดำได้เริ่มทําได้ก็สะสมเป็นตะทางขาประหารได้เป็นคราวๆได้เป็นคราวๆก็ทําอีกทําซ้ําอาเซวนาภาวนา พ, านาพาระหฤกษกัมมังเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกก็จะสะสมเป็นปฏิปัตสัจจิประหารสมุเฉตประหารคือคุณทําให้มัน ไม่มีกิเลสนั้นได้แล้วเกลียกเด็ดขาดนะตอนนั้นไม่มีเป็นชานนะเป็นชานลนะเพราะฉะนั้นชานนี้อัตมาอธิบายมาแล้วเมื่อกี้นะี่ยังเป็นชานหนึ่งชานสองอยู่ชานสามอยู่มันยังไม่ถือว่าเป็นนิโรธชัดเป็นวิมุติเต็มเพราะมันยังมีอุปกิเลสปิติอยู่สุขอยู่ใช่ไหมมีวิถวกวิญาณมีปิติมีสุขเพราะฉะนั้นต้องเป็นชานสี่เรียกว่าอุเบกขาแท้แท ถ้าจะเรียกว่าเป็นวิมุติหรือตัถังกรรมมิมุติหรือจะเรียกว่าปะหารขั้นสมุดเฉทะปะหารก็ต้องขั้นนี้แหละสมุดเฉทะคือขาดขาดจากนิวรณ์ขาดจากอุปกิเลส ด, ด้วยก็ทําอย่างนี้แหละเรียกว่าทวนทำปฏิปัสัตตินี่แหละคือสงบสงบจากตัวกิเลสเป็นปะหารตัวที่สี่ สมุดเฉดแล้วก็ปฏิปสัตติทวนธรรมซ้ําทวซ้าก็คืออาเซวนาภาวนาพระหูลีกัมมังนั่นเองอ่าซึ่งเป็นปัญญาข้อที่สองของปัญญาโซดาบันปัญญาข้อที่สองของโซดาบันปัญญาเจ็ดญาณเจ็ดของโซดาบันข้อที่สอง อาเซวนาภาวนาพาระหฤกกัมมังทําเพิ่มเข้านะอันนี้นตมาพยายามอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นตั้งใจฟังสุดสั้สัละลปรตปัญญงังจะเข้าใจอะไรตอตไรได้ดีเพิ่มขึ้นนะเพราะงั้นเริ่มมียานนี่นะยานตั้งแต่โมโนนามรูปปิฎิเศธญาณเนะี่ยน่ ะ, นะก็เรียกว่า เป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าสู่ปรมัตเข้าสู่จิตเจตสิกนะเริ่มมียานรูนามารูปไปตั้งแต่ยานสิบหกข้อที่หนึ่งเลยนะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะคือเริ่มเริมอภิธรรมนี่แหละประมัตตธรรมเนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะกับสัมผัสยานสัมผัสจิตเจตสิกได้แล้วพอสัมผัสจิตเจตสิกได้ เข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถที่จะนนเรียกว่าขั้นปรมิจิตเจตสิกรูปแต่ยังไม่มนะีภูมิเป็นความไม่เที่ยงตอนแรกจนกว่าจะเห็นความไม่เที่ยงสมัสญญานดามารูปปัมิเจติยนะ่ะยังยังไม่ถึงเห็นความไม่เที่ยงใช่ไแต่เริ่มต้นเห็นจิตเจตสิกเริ่มเห็นปรมาติปรมาติคือจิตเจตสิกรูปนี่พัเริ่มอ่านจิตในจิตเป็น เจนเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่อธิบายเป็นแล้วบางกีสมัสนญาณเห้นเกินใต้รักเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็วนมันไม่คงที่เนี่ยมันหมุนอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันหมุนอยู่มันไม่คงที่ไม่คงที่เนี่ยพยายามใช้พยัญชนะอธิบายแล้วนะสภาวะมันก็ไม่เที่ยงสิเห็นแล้วว่าเอออันนี้มันเกิดมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็แล้วแต่เธอที่คุณเห็นอยู่ข้างในของคุณเห็นนามจิตของคุณเห็นนามมาทำของคุณ่ะ เห็นจิตเจตสิสของคุณนะจะเกิดเป็นเวทนาหรือเกิดเป็นกายในกายก็ตามองค์ประชุมของสภาพที่สัมผัสข้างนอกแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็อ่านอันนี้ออกขณะที่กําหนดรู้นะนะั่นแหะมันเป็นตัวที่ถูกรู้มันก็เป็นกายนะเป็นรูปที่ถูกรู้ยานที่ไปรู้นะนะั่นแหะก็คือยานปัญญาที่ไปกําหนดสัญญากําหนดรู้มันแล้วรู้มันก็รู้ว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้คืออย่างนี้ เช่นไปนรู้กายในกายที่สัมผัสแล้วมันก็ปรุงแต่งปุ๊บนี่ก็อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกน ะ, ะไม่มีพลไม้นอวันนี่มันมีแต่ดอกไม้สัมผัสพุกบมันก็เกิดปรุงแต่งปุ๊บเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารไอสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันจะเป็นตัวรวมเลยนะเป็นตัวเวทนาเป็นตัวความรู้สึกเป็นตัวอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ เวทนานี่มันก็คือตัวสังขารที่มันปรุงแต่งคือมันปรุงแต่งตัวสัมผัสแล้วมันมีเหตุปัจจัยแล้วแล้วมันก็ปรุงพลึกรวมมาเป็นเอ๋ออันนี้อย่างนี้มันจะมีเหตุปจัจจัยก็มันบอกหมดแล้วอละทารูกระสีสรุปมีรูปร่างมีสีสันมีตัวตนมีอะไรถ้ามีกลิน่นมีเสียงอะไรก็เห็นไปหมดมันรวมอยู่ในนี้โอ้องค์ประชุมองค์มันทั้งหมดเลยเนี่ยแม่เข้าสเปกเลยเข้าสเปกเลยอย่างนี้สิ น่าได้น่ามีหน้าเป็นชอบมาตุ้งก็ไปอยู่ในนั้นหมดเลยก็เป็นอารมณ์ชอบถ้าได้มาสุขแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ได้นี่มันก็จะตันหาถ้ายังไม่ได้ก็ยังได้สิมันมันน่าได้น่าน่าได้คุณมีตันหาคุณก็จะต้องอ่านตันหาของคุณขณะนั้นแหละคุณจะแยกปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่มันปรุงร่วมกันสังขารต่างๆมันมีกามเข้าไปร่วมนี่คือลักษณะของสังกปะเจ็ดตั้งแต่จิตพอสัมผัสแล้วมันก็จะมีดำริตักระและมันก็จะเป็นตัวรวมสังกปะนึกคิดรวมเลยเป็นสังขารเลยแต่ก่อนจะมันจะสังกปะนึกคิดสังขารเนี่ยแหละคุณจะต้องพยายามดักรู้ตักระนี้ ที่มันเริ่มคิดมันนี้ดักวิจัยมันตรงนี้พิจารณาอ่านแยกแยะมันให้ออกเป็นตรีรณะณปริญญาแยกแยะมันให้ออก <ut> แยกเหตุแยกปัจจัยมันออกว่าอ๋อไอตัวนี้เนี่ยมันมีอุปทานตัวที่มันไปยึดว่าโอ้อย่างนี้น่ะเนี่ยอุปทานยึดไว้จําได้เนี่ยอย่างนี้แหละเราเคยสั่งสมไว้ในจิตว่ามันต้องอย่างงี้สิรูปต้องอยางงี้สีต้องอย่างงี้กลิ่นต้องอย่างงี้รสต้องยังไม่ได้แตะลิ้นเลยนะ มันต้องอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ยิ่งจับมาปับสัมผัสโออย่างงี้สินิ่มอย่างงี้ท่าทังเนือจะเอาเข้าปากเคี้ยวกินกลืนเลยถ้าได้เคี้ยวกินกลืนหม่ครบเลยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยทีนี้มาตรงกับอุปท า, านตรงกับที่มันยึดเอาไว้ว่าต้องอย่างงี้สเปคสเปคกําหนดสเปคซิฟิเคชั่น ไอตัวสภาวะที่คุณกําหนดไว้ในใจของคุณตัวนั้นมันตรงกับสเปคนี่จริงๆคุณก็สุขเวทนาสุขเวทนาเลยเป็นเวทนาเต็มรูปเลยก็เหตุปัจจัยทั้งนั้นปรุงแต่งที่อาตมาอธิบายมานี่เยอะแยะมีอะไรปรุงมั่งมีตัวรูปข้างนอกมีตัวอวบฐานข้างใน และเป็นสภาพตัวตนทั้งนั้นเป็นอัตตาทั้งนั้นโดยเฉพาะอัตตาตัวของคุณยังมีอุปทานอุปทานเป็นอัตตาในอุปทานนั้นมันเป็นตัณหาอยู่ในตัวเพราะอุปทานก็ตัณหาตัวเดียวกันเมื่อมันจะตั้งใจว่าจะได้อย่างนี้พอมันยากขึ้นมามันก็เป็นตัณหาสเปคของคุณมันอยู่นิ่งๆสเปคคืออุปทานพอมันมาสัมผัส หรือมันไม่สัมผัสเราแต่มันยาขึ้นมามันเคลื่อนที่เป็นเคนติกเอเนจีเป็นตัวเคลื่อนไหวเป็นพลังงานเจรนะขึ้นมามันก็เรียกว่าตันหาเพราะฉะนั้นตันหามเป็นตั ว, ต ว, ตวพลังงานเคลื่อนไหวมันจึงรู้ง่ายกว่าอุปปาทานที่มันกบดานนิ่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า จะล้างอุปทานได้คุณสามารถมียานอ่านตัวกาหนดนิ่งของคุณได้เกง่งล้างอุปทานก็ได้แต่มันยากเพราะฉะนั้นในปฏิบสิสมุบาตจึงไม่ละทิ้งอุปทานด้วยตั้นหาอุปทานอยู่ติดกันเพราะอุปทานนี่ถ้าเคลื่อนไหวออกมามันก็เป็นพลังงานเจรณนะถ้าไม่เคลื่อนไหวก็เป็นพลังงานศั ก, กด์ดนอยู่ในใจนิ่งเป็นอนุัยเป็นอาสวะ กรกระทบกระเทือนก็เกิดขึ้นมาเลยเหมือนกับอย่างท่านอธิบายเป็นสโลโมชั่นเป็นความช้าเป็นความยาวยืดเป็นความนานด้วยนิทานนิทานพยญหนานอนอยู่ใต้ก้นบาดาลอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาลอยถาดพอลอยถาดทวนกระแสมาทวนกระแสนี่คือโลกุตระนะ พอเอืท้ทวกระแสมาถาดลอยมามาถึงที่ก็หมดแรงก็จมลงจมลงไปลงไปลงไปตกลงไปปับ๊บก็ไปกระทบจะต้มลงตรงนั้นแหละแหมของท่านนี่เป็นนิทานที่สุดยอดเลยนะตรงที่พระพุทธเจ้าลอยมาทุกองตรงตรงนั้นะก็ไปกระทบกับถาดเดิมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละองค์ลอยถาดมาก็มันตุกตุกองอยู่ตรงนั้นน่ถาดทองของพระพุทธเจ้าองค์นี้ล่มก็เลยลอย ล, ล, ลงมา ลงมามากองอยู่ตรงนั้นอีกก็กระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์งก่อนถาดทองนี่ของพระพุทธเจ้านี่กระทบกันดังดังมากเพราเป็นเสียงของโลกีโลกีที่ดังมากเลยพญานาคในคนติดนอนตีเลชนิดหนึง่งทินามิทะนอนอยู่ใต้ก้นมึงหลับไม่รู้เรื่องเลยเสียงอะไรก็ปลุกไม่ได้ได้แต่เสียง กระทะทองคําของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะตื่นก็ได้ยินเสียงกระทะทองคําของเจ้าโอ้ยถาดแ <laughs> ม่อัตมาสัญยาพยัญชนะทุกวันนี้เนะี่ยเพี้ยนวิปลาสไปเรื่อยเลยบ่อยมากเลยทุกวันนี้ก็เลยถาดทองคําก็ลงไปกระทบกระทะองคำของพระพุทธเจ้าองค์กรกระทบดังเพราะกระทกระทะี่อ้อยกระถาทองคำของพระพุทธเจ้าเปิดถ่ายแนละ้ว ถาทองคำผู้ชายมันเป็นถาทองคําพิเศษท่านสมมุติมาในเรื่องสมมุติสร้างนิทานสร้างบุคคาธิฐานเนี่ยดังจนพญา น, นาคต้องตื่นรู้สึกตัวเพราะว่าขี้เสามากพญา น, นาคเนี่ยติดทีนมิถันไงพงนอนพก ง, งูนอนหลับเลื่อยนอนหลับอย่างนั้นแหะพงงูอ่าไปกระทบแล้วดัง งูตัวนี้ก็ตื่นพญานาคก็ตื่นได้ยินเสียงก็ตื่นก็ได้ยินมาทุกทพีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องกรลอยถาดมาทุกทีแล้วก็มากระทบกันให้ได้ยินทุกทีพอได้ยินทุกทีก็ปลุกพญานาคพญานาคก็ตื่นปัดโถเไว้พระพุทธเจ้าเกิดอีกแล้วพระองค์องค์ก่อนก็ก็ถาดพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่มันดังให้ปลุกตื่นหมายความว่า ต้องให้ความรู้ต้องให้ฤทธิดเดชของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะปลุกพวกที่ชอบนอนเนี่ยติดนอนเนี่ยติดนอนเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะปลุกให้ตื่นได้เป็นพุท ธ, ธหรือเป็นชาคิยาชาคิยาเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นมารู้จักโลกกุตระไม่เช่นนั้นคุณจมอยู่ในโลกียะอีกดักดานดักดานพญนาคลูกพญานากหลานพญนาค ทั้งหลายเอ๋ยงมงายหลับไหลอยู่กับโลกียะนี่แหละตลอดกาลนานมาไม่ตื่นไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงถาดทองคําของพุทธเจ้าเลยแม้ได้ยินแล้วถ้าคุณเป็นนาคตัวที่ติดโลกติดโลกีหนักนาคหมายความว่าใหญ่เนละเป็นนาคใหญ่เป็นพญานาคใหญ่ ก็ติดหนักคุณก็จมอยู่ในโลกีหนักใหญ่เลยต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วว่ปาปวดท or พุทธเจ้าเกิดอีกองคหนึ่งแล้วว่าแล้วก็หลับต่อไปเป็นพยานาคต่อไปอีกนานับกับการค่อยได้ยินเสียงของถาดตรงคำว่าพุทธเจ้าองค์ต่อไปค่อยตื่นอีกทีหนึ่งแล้วก็จมเป็นพญานาคยาไปถึงพญานาคเลยพวกเรา ลูกนากล้านนาคนี่ก็ดีแล้วเลิกคือไปจมเป็นพญาเถอะอย่าเป็นนากระดับพญาเลยอเป็นนากระดับจิตใจพวกนี้กับปีกกระปล้อยนี่ก็เลิกเป็นนากระทีนาค้าในแปลว่าผู้ฉลาดแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ในทางโลกีมันซ้อนมันกลับกั น, นเพราะงั้นทาง พยานาคหรือนาคใหญ่ที่เป็นโลกีเต็มที่กําลังอาราวาสในประเทศไทยอยู่ขณะนี้ก็อาราวาสหนักพเพิ่อเตินพยานาคเขาเป็นคนไม่ตื่นในโลกีเขาหลับไหลในโลกีอย่างมืดดําลิศนาหนักมากทําความเดือดร้อนให้แก่มนุษยชาติเนี่ยเราเอาแต่คนไทยไม่ต้องไปพูดถึงประเทศอื่นเขาขณะนี้ก็เห็นพฤติกรรมของพยานนาคตัวนี้ะ อาราวาสอยู่ในประเทศไทยตอนนี้หนักมากนี่คือคนที่มืดมัวในโลกีไม่ตื่นหลับไหลหลงไหลจมนี่เสียงถาต้องคำพระพุพทธเจ้าดังก็ไม่ได้ยินเหรอคนนี้ไม่ได้ยิน เสียงขนาดมันโอ้โหเป็นเสียงดังขนาดของพระเจ้านะก็ไม่ได้ยินแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติมาเขาเลยเขาไม่ได้ยินแค่เสียงโพธิสัตว์นัี้ยรับรองเขาไม่ได้ยินแล้วอาตมาประมาณแล้วว่าขนาดเสียงว่าพระเจ้าเสียงถาดสองทางว่าพระเจ้าคงไม่ไม่ได้ยินแล้วถ้ายิง่งแค่ถาดระดับพลาสติกของอาตมานะ ไม่จะต้องคำลงไปันี้ยิ่งไม่ได้ยินใหญ่เลยเดิตตามตำนามแค่ถาพลาสติกยังไม่บางอาจจะบอกถึงถาดสเตเลสนะแค่ถาพลาสติกยิ่งไม่ได้ยินใหญ่เลยนี่ก็พยายามอธิบายละเอียดและเลียดยกเหตุผลนั้นหลักฐานนี้แม้แต่ตำนานแม้แต่นิทานขึ้นมาอธิบายประกอบเป็นภาษาธรรม ที่ขยายความนี่เอาบุคลาธิฐานมาขยายเป็นธรรมะเป็นภาษาธรรมะนรรมะพอเข้าใจไหมภาษาธรรมะน่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนี่ก็จะไม่สามารถที่จะไปรู้อะไรเห็นอะไรได้เห็นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปเห็นตัวตนเห็นความเป็นอัตตาไม่ได้ซึ่งอย่างคุณแปดเ็ดศูนย์ห้าเนี่ย อาตมาสงสารมากแต่บอกว่าอัตตามันไม่มีมีไม่ได้ต้องเข้าใจว่าตาเป็นไม่มีนี่เป็นเบื้องต้นนะต้องเห็นว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาแล้วอย่าไปคิดถึงคำเป็นอัตตาเส่งอาตมาก็บอกว่านั่นแหละมันมีแต่ตกกะไปได้พบชาติของคำว่าพยัญชนะว่าไม่ใช่อัตตาแล้วคุณก็ปิดประตูเป็นอัตวาทุปาทานไปเลยได้แค่นั้นอัตตาของคุณก็คือได้แต่วาทะ แล้วคุณก็ถือว่าไม่ใช่อัตตาและจบมีไม่ได้เห็นอัตตาไม่ได้ตามเห็นอัตตาไม่ได้เสอาะตมาขยกอ้างมารู้กี่ภาษาหลักธรรมวจชาตั้งแต่ในธุริยปยานสูตรแสงอรุณเจ็ดอัตตะสัมปทาเป็นแสงอรุณในข้อที่สี่สีในเจ็ดอัตตะสัมปทา ต้องเข้าถึงต้องเข้าถึงต้องหมายความว่าคุณจะต้องเข้าไปบรรลุความเป็นอัตตาคุณต้องบรรลุความเป็นอัตตาก่อนนะตัวตนหรืออัตตาเนี่ยอัตตะสัมปทาข้อที่สี่นะหรือเริ่มต้นเข้าใจเรื่องอัตตาเรียกว่าอัตตะพิธิแล้วคุณก็ไป ศึกษาปฏิบัติตามเห็นอัตตาให้ได้เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิต้องไปตามเห็นอัตตาอัตตาตัวแรกที่เห็นคือสักกายะอัตตาตัวที่คุณเห็นตัวแรกที่จะเป็นโสดาบันตัวตนตัวตนตัวแรกสักกะตัวแรกองค์ประชุมของสักกะสักกะแปลว่าตนตัวตัวเองตัวเองตัวตัวตนนั่นแหละสักกะ กายคือองค์ประชุมองค์ประชุมของรูปแรนนามองค์ประชุมของรูปแรนนามที่มีเหตุเป็น เ, นเหตุเป็นปัจจัยกันคุณสัมผัสปับ๊บคุณก็โอ้อ่านอ่านสักกายอ่านตัวตนซึ่งเป็นสภาวะจิตเจตสิกของคุณรู้ของคุณได้อ่านรู้ได้โอ้กาลังสัมผัสนในสิ่งหรตัวตนของเราจะเรียกในภาษาว่าวิ ญ, ญญาณจะเรียกในภาษาว่า สังขารจะเรียกในภาษาว่าเวทนาก็เกิดจากผัสสนี่มาทั้งสิินและคุณเห็นได้สัมผัสได้มันก็เป็นนามรูปที่คุณสัมผัสได้เมื่อมันสัมผัสก็เกิดอายตนะเพราะฉะนั้นในปฏิสมุมบบสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสะเวทนาอัตมาอธิบายเหตุปัจจัยของตัวสภาวะทั้งหมด สังขารก็อธิบายขยายความแล้วมันปรุงรวมรวมเลยสังขารคือเวทนานั่นแหละมันปรุงร่วงไปเป็นคนไม่รู้กับเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเลยชอบหรือไมปป่ชอบไปเลยเป็นอิทธารมไป็นอิทธารมไปเลยเป็นอารมณ์ก็คือเวทนาอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ไม่ชอบก็ปรุงแต่งปุ๊บเลยอาวิชามันจะปรุงแต่งปุ๊บเป็นสังขารเลยโดยคุณอ่านสังขารไม่ทันอันสังขารไม่ออกเพราะคุณจะต้องจับสังขารในได้ก่อน สังขารนี่คือวิญญาณเป็นจิตสังขารกายในกายมาองค์ประชุมก็ามาสัมผัสแล้วมันเกิดกายในกายกายในกายเนี่ยมันเป็นองค์ประชุมของทุกอย่างเจตสิกสาเวเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยวิญญาณก็คือการปรุงแต่งของเจตสิกสามนี่แหละต้องไปอ่านคนคืออะไรทำไมสาคัญนักอีกทีแล้วมันปรุงขึ้นมาเป็นทีหรือเทวดา ทำมันปรุงปลื้อเลยสุกเลยชอบใจเลยมันก็เป็นเทวดาเทวดาสมมุติสมมุติเทพเทวดาเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในสมมุติทุกคนก็เป็นสมมติติเทพมีบริบูรณ์ก็เรียกว่าสมมติติเทพระดับสูงสมัยโบราณเราว่าโอ้คนที่จะมีอะไรได้บริบูรณ์ได้เสพได้สุขนี่ก็คือระดับเจ้าระดับราชามเหสีกุมารกุมารีต่างๆนี่ คือสมมุติเทพทั้งนั้นดันนสมัยโบราณสมุนเดินยาสิทราชใครก็ต้องจำเป็นเจ้าใช่ไหมต้องเป็นพระเจ้าเป็นดินลูกหลานพระเจ้เป็นดินอเป็นมเหสีไปเลยเพื่องั้นสมมุติเทพจึงหมายเป็นตัวตนเลยหมายถึงพระปลาชาหมายถึงมเหสีพระมเหสีหมายถึงพระกุมารพระบมารีต่างๆเรียกว่าสมุติเทพระบุเป็นตัวตนบุคคลไป คือผู้ที่มีฐานะนที่บริบูรณ์ด้วยทุกอย่างหลาบยศสันเถรโลกีสุกามารมลอะไรเต็มทั้งพร้อมไปด้วยสิ่งเหล่านี้โลกธรรมนั่นเองทั้งพร้อมไปด้วยโลกียะหรือโลกธรรมบริบูรณ์อยากได้เมื่อไร่ก็ได้เป็นสุขตลอดเวลาเหมือนเจ้าชานุรุตเนี่ยนะชอบขนมอมาแล้วก็จะต้องบอกอำมาเอาขนมมาเก็บอยู่มาวันหนึ่งก็อำมาตไม่มีขนมอะไรเลย คือมันฟังพร้อมไม่มีเลยไอ้เรื่องของคำว่าไม่มีไม่มีไม่มีในพจนานุกรมประจําตัวเลยพอมาวันนั้นอัมมา ก, ก็ไม่มีขนมจะถวายเรียกขนมหาขนมมว่าขนมไม่มีพระเจ้าค่ะเฮ้ขนมอันนี้แปลกนี่ว่าเอามากินปุญน่า จ, จะอร่อยหนะ้าขน ม, มไม่มีโอ้ถ้าดีคําว่าไม่มีในพจนานุกรมของเจ้าชายนรุษ ไ, ไม่เคยมี ไอกินขนมทุกทีคราวนี้เออมีขนมใหม่ว่าชื่อขนมไม่มีไม่อได้คำว่าไม่มียังไม่รู้จักนี่มันก็ประหลาดดีเหมือนกันเนาะนี่เป็นประวัตินะไม่ใช่ตำนานนิทานแต่งขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าเนะี่ะถูกพระราชบิดากันไม่รู้จักเลยว่าคนเกิดเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงไม่รู้จักเลย จนโตจนโอ้โหยังไม่พบเทวทูตพวกนี้ไม่รู้จักเลยว่ามันมีเลยคนเนี่ยที่เป็นคนที่ท่านเองท่านคบเห็นท่านอยู่เนี่ยโอ้โหเลยว่าแวดล้อมไว้เนาะไม่เห็นเลยคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บคนป่วยไม่เห็นคนตายเลยเพราะมันเป็นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องที่ โรคนี่มันมีถึงขนาดนี้เนาะกันกันถึงขนาดเพราะกลัวพระพุทธเจ้าจะไปบวชไงระราช บ, บิบดาก็กันเลยไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เบื้องต้นง่ายๆโรกที่ธรรมดาไม่ให้พบไม่ให้เฟ้าพานเลิสร้างปราศสารพิรูอยู่แต่ยังงั้นอ่ะไม่มีทุกข์ร้อนด้วยแดดด้วยลมด้วยอะไรโอโหสมัยนี้ก็คือมี ทุกอย่างเลยมีฮีเตอร์ออมีทั้งแอร์คอนดิชันพร้อมเลยทั้งเย็นทั้ง อ, อุ่นเลยพร้อมหมดเลยไม่ให้ฝนฟ้าเม่ตองเม่อะไรเลยบ้านสามฤดูสมุรังเรียกว่าบ้านสามฤดูไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายชั้นใดเจ้าชายนรุธก็ไม่รู้จักขนมไม่มี คำว่าไม่มีไม่รู้จักเหมือนกันคำว่าไม่มีคืออะไรบอกขนมบอกไม่มีขนมฮะขนมไม่มีดี น, นี่แปลกเอามาเดิม่มเลยมากินก็นจะพูดกันรู้เรื่องคงนานเนาะก็จะพูดก็จะอมานจะพูดกับเจ้าจารย์ น, นรุษว่าขนมไม่มีมันคืออะไรคงนานแต่พวกเราไม่ต้องพูดเราพวกเรามันตึ้นตื้นตื้นตืต้มันไม่ได้เป็นขึ้นขนาดนั้นอมีบุญอยู่นะ กระชากู e ้ด oh, no? ้ไม่มีบุญเลยไม่รู้จักแม้แต่คำว่าไม่มีคืออะไรเนี่ยมันโอ้เนาะเคยประวัติเคยเล่ากันว่าถามกันว่าข้าวนี่มาจากไหนก็ต่อว่าข้าวมาจากจานจานทองคําโอ้คือเกิดมาก็เห็นแต่ข้าวอยู่ในจานทองคําำตอนนั้นเองข้าวนี่มาจากไหนกินจากจานทองคําเออมาจากจานทองคําตอนนั้นเรื่องของปุัชญาที่ฐานเรื่อว่าเรื่องของอะไรพวกนี้กับธรรมาทิฏฐานี่จะต้องเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้านั่นคือธรรมาทิฏฐานเป็นหลัก สมบูคลาทิฏฐานาเป็นเรื่องนอกเรื่องยาบที่เป็นอาศัยมันก็มีนัยยะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงอเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามันก็เป็นนัยยะลึกซึ้งพวกนี้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ตัวปรมัตา์ปรมัตารย์แท้ๆนะมันจิตเจตสิกความไม่เที่ยงก็มไม่เที่ยงของจิตความเป็นทุกข์แน่นอนทุกข์มันเกิดที่รูปไม่ได้หรอกทุกข์มันเกิดที่ ดินน้ำไฟลมไม่ได้แม้แต่อยู่ในผีชะอัตมายังจำได้ว่ายกลูกไฟักข้าวยกลูกมังคุดขึ้นมาบอกไอ้พวกนี้เป็นพืชละมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้ทุกรู้แท็กอะไรหรอกนะว่าจิตวิญญาณระดับจิตนิยามผีชะนิยามก็ยังไม่รู้ทุกจิตนิยามของคนจะรู้ทุก ของเวนยสัตว์ที่สามารถจะอ่านทุกขเป็นพระพุทธเจ้าทรัตกัดว่าคนจะรู้ทุกนั้นรู้ได้ยากยากยิ่งกว่ายิงลูกศรไปเสียบรูกุญแจคนจะรู้ความเป็นทุกอ่านนามธรรมว่ามันเป็นทุกนี่เพราะเจะ้าอาตมาถึงเข้าใจก็จะได้เห็นใจคุณแปดเจ็ศูหน้าก็ไปทุกตะ ก, กะโอ้เห็นคนบนยอดทุกเดินม า, เ, นมาเต็มไปหมดใครก็ตะ ก, กะได้ ตกะแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เห็นของจริงมันไม่ได้ผัผสสะจิตเจตสิกรูปนามารูปจิตถูกจิตของเรารู้ว่าโอ้นี่อาการลิงคะนี่มิดทุกนี่ไงเวทนาอาการทุกเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้สติปัฏฐานสี่คุณไม่ได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาว่ามันกําลังเกิดอาการทุกให้คุณเห็นหลัดๆผัสสะผุ้ิตธวาขณะนี้เลยมีอิริยบทของ อาการของทุกในเวทนาในจิตมันปรุงเป็นทุกขในมันคือดินลนแล้วมันเป็นเปรตแล้วมันเป็นเลระชานแล้วคนยังไมไ่เห็นของจริงอันนี้คนยังไม่อ่านสัพสัพสัอันนี้เลยเพราะฉะนั้นคนจึงยังไม่รู้จักทุกยิงลูกศรไปเสียบที่รู้กุญแจในระยะทางไกล แต่ก่อนนี้บอกถึงร้อยดอกตอนหลังมันลดลงได้ไปฏิบิณฑกนี่มีคนค น, คนพบว่าไม่ได้บอกว่ากินดอกแต่หลายดอกอ่หรือจับเส้นผมให้เป็นเจ็ดแฉกออันนี้บอกเจ็ดแฉกแต่และแฉกเท่ากันด้วยนะเทียมเลยนะเส้นผมคุณนอะมาจาับเขาเส้นผมใครใหญ่ที่สุดเอามาหน่อยใหญ่ที่สุดก็เอา แรกๆคงยิ่งแย่เอาเส้นที่ใหญ่ที่สุดมาจากักออกเป็นเจ็ดแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันด้วยต้องมีเครื่องวัดนะเช่นผมเจ็ดแฉกนี่แต่ละแฉกเท่ากันมันยากการเห็นทุกยากกว่าทันเทียบอุปมาอุปไมยยากขนาด น, น, น, นั้นมันไม่ง่ายจริงๆที่จะอ่านอาการของทุกฟังไปสิฟังอาจมาอธิบายบอกคุณเมื่อกี้ก็ถามไปแล้ว พอรู้ดีไหมพอรู้ได้ไหมบอกจงคุมคุมกระเคลยกมือกันเต็มเลยบอกรู้ดีเป็นยังคุมคุ้มกระเคลยกมือตึมเลยบอกออพ่อรู้ชัดบ้างพ่อรู้ได้บ้างรู้พอได้พอดีเลยเลยคุมคุมกระเคลมีมีดุกี่คนยกมือกล้ายกมุกี่คนอาตมาเลยไม่กล้าถามว่าใครรู้แจ้งดีบ้างก็รู้อย่างจำแจ้งเลยยังไม่กล้าเลยไม่กล้าถามเลยพโะแทถามว่าพอรู้ได้ดีพอสมควร ยังเมื่อกี้คนกรุมกรุงเกลืออยู่นี่ยกปุ่มเลยตุ่มมันไม่ง่ายเห็นมไหลระขนาดพวกเราเนี่ยคนในในเลยหลายคนก็แม่อยู่กัน ก, ก, กี่ปีแล้วใคะเหลือยี่สิบปีแล้วอบอกยกมือดิแต่เมื่อกี้ยกมือถามว่ากรุมกรุงเกลือยกกี่ป่ะแม่เห็นไหมมันไม่ง่ายเลยอาตมาว่าไม่ง่ายนะ พระเจ้ า, าอาตมาที่เห็นใจเห็นใจคุณ 8, 70, 5, แปดเจ็ดศนห้าว่าเน่ยก็พูดมาคุณเจตสุนทรพูดมานี่ยิ่งชัดขึ้นยืนยันชัดขึ้นเพระเาะฉะนั้นจะเห็นองค์ประชุมของสภาวธรรมที่เรียกในภาษาบาลีว่ากายกายยะนี่สักกายเนี่ยกายยะเนี่ยสักกายก็คือกายองค์ประชุมของตนสักกา ย, ยะเป็นองค์ประชุมของหมวดเจตสิกธรรมเวทนาสัญญาสัางขารเป็นตนซึ่มันรวมกันอยู่นี่ คุณจะเห็นมันก็ช้าก็ยากมัใช่เล่นนะพรอยิ่งจะไปเข้าใจในความเป็นกายในลักษณะต่างๆเนี่ยในลักษณะของกายที่เป็นกายกะลิกายกะลินี่แปลว่าองประชุมนั่นเป็นโทษสิ่งที่ชั่วช้าที่อยู่ในกายมีสิ่งชั่วช้าเนี่แกกะลิกายะกะลิ หรือคุณจะต้องพิจรารณากายคตากายคตาองค์ประชุมของกายที่มันดําเนินไปอยู่เนี่ยตลอดเวลามันมีองค์ประชุมทุกเวลาเลยมันสัมผัส ต, ตามหูจมูกลิ้นกายใจก็มีรู ป, ปรกายประชุมเงินไปตลอดแหล ะ, แ ล, ะแล้วเก็ต้องอ่านต่างๆอ่านรู ป, ปรกายก็ข้างนอกต้องอ่านเข้ามาหาข้างในเป็นนามกายเป็นกายในกายเข้ามาเป็นนามกายแล้วคนเกิดยานก็ ก็สามารรู้กายได้ก็เรียกว่านามะรูปอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ค่อยวิจัยไปเรื่อยๆนจนกว่าจะรู้ว่าอาการของกายเรานี่ยโอ้โหอาการของนามะกายนะข้างในกายอะ่ะรูปกายก็ตามองค์ประชุมของจิตเจตสิกของเราเนี่ยมันประชุมกันแล้วใหม่ตอนนี้มันเร่าร้อนท่านเรียกว่ากายะทะทมทโทหอหิบกายกายะทะ ความเร่าร้อนของแห่งกายนา่หรือแม้แต่ที่อาตมาเคยใช้คําว่าทรถท่านแปลเป็นไทยว่าความกระวนกระวายความยังกระวนกระวายมันยังมีลักษณะยังไม่ถือความเร่าร้อนอ่อนเบาแม้แต่พร ะ, พระอรหรันต์แม้แต่อนาคามีก็ยังมีทารถอย่างนี้เป็นต้นอืม ก็จะพยายามกายานุปัสนาพยายามตามเอาปัญญาสร้างปัญญาตามอนุปัสนาเนี่ยอ่านกายอ่านกายะนะคือการกำหนดรู้พิจารณาองค์ประชุมพิจารณากายนะั่นเรียกวายานุปัสนานะหรือกายปัสสั ธ, ธิความสงบของกาย ความสงบของกายนี่แหละคนก็เข้าใจว่ากายมันไม่กระดุกกระดิกแล้วร่างกายนะร่างร่างไม่กระดุกกระดิกในความสงบของกายอร่างนิ่งนี่สงบไม่กระดุกกระดิกไม่ใช่นามธรรมกายในเป็นนามธรรมองค์ประกอบของกายประเสรินั่นคือความสงบจากกิเลสพอไม่มีกิเลสในองค์ประชุมของจิตเจตสิก องประชุมของเวทนาสัญญาสังขาร น, นั้นมันไม่มีกิเลสนั่นแหละคือมันสงบเป็นกายะปัสสติไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่กายรูปร่างร่างเนี่มันไม่กระดิกคุณจุกระดิกร่างกร้างข้างนอกในโครงสร้างมันกระดิกนี่คือสงบเรียกว่ากายสงบกายะปัสสตินี่เรียกว่ากายสงบสงบกายและไมมันไม่ใช่ ัน้มันกลายไม่กระดุ ก, กระิกไม่ใช่กายสงบกลายแย่คำนี้พยัญชนะคํานี้มันเป็นภาษาธรรมะเป็นนามธรรมองค์ประชุมของจิตเจตสิกหรือหมวดเจตสิกกระทำเวทนาสัญญาสังขารหรือตัววิญญาณนั่นแหละองค์ประชุมเป็นวิญญาณนั่นแหละแล้วมันไม่มีกิเลสเข้าไปอยู่ในนั้นมันสงบจากกิเลสแม้ชั่วคราวแล้วยิ่งถาวรเลยกันเนละกลายสงบ องค์ประชุมสงบเพราะฉะนั้นกายสงบคือคนที่มีพฤติกรรมกายกรรมก็ไม่ทําชั่ววจีกรรมก็ไม่ทําชั่วเพราะมโนในมโนมั น, ม, นมันไม่มเป็นองค์ประชุมที่มันมีกิเลสองค์ประชุมเมื่อไม่มีกิเลสตัวการมันก็ทําออกมาเป็นวจีออกมาเป็นกายกรรมออกมาเป็นอาชีพอาชีวะกรรมมันตะ วัตจีในสังกปะเรากำจัดตัวการตัวนิวแซนตัววุ่นวายตัวพีร้ายได้แล้วไม่มีเหตไม่มีแรงไม่มีพลังงานข้มันเหลือที่จะไปมีฤทธิ์มีเดชไปให้เกิดวัตจีเกิดกรรมต่างๆกรมมันเกิดงานการอาชีพต่างๆไม่มีแล้วนี่สงบแต่มีอาการไหม อาการกายกรรมวจีกรรมเป็นกรรมมัญญาหรือเป็นกรรมญญรรมณียะเป็นการกระทําเป็นขั้นกรรมมณยะหรือขั้นกรรมมัญญาเป็นการกระทําขั้นกายกรรมัญญตาเรียกว่ากายกรรมัญญตาคือเป็นความคล่องแห่งกายเป็นความทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีเหมาะควรเลย เต็มไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสก็เป็นกา ร, การงานกรรมญตากายกรรมญตากายกรรมญตานี้มีภาษาอีกคำหนึ่งเรียกว่ากายะปะักคุณยตากายปากายปาคุณยตาปากายปาคุณยตเป็นคำแท้ใช้ใบพัดกัน กายกรรมัญญตาหรือกายกายปาคุญยตาเป็นความคล่องแคล่วให้องนา ม, ม ก, กายเป็นความคล่องแคล่วแววไวรวดเร็วคล่องตัวทํางานอย่างเข่าเป็นพลังงานอย่างเร็วอย่างไวอย่างนี่สงบนะสงบนะนี่เป็นธาตุอุเบกขาเป็นเอองค์ประกอบของอุเบกขานะ อุเบกขามีคุณสมบัติปริสุทธาประโยธาตามุทุกรร ม, มัญญากร ม, มัญญาตาเนี่ยกัร ม, มัญญาประพัฒสราเพราะกรร ม, มัญญาตัวนี้หรือกายกายกายปาคุณญยญตาเนี่ยกายปาคุณยะเนี่ยเป็นความเก่งของจิตเจตสิกของเราซึ่งสงบจากกิเลสแล้วแต่เป็นพลังงานขั้นระดับพลังศี พลังปัญญาพลังวิริยะพลังอนัตวัชชะพลังสังฆะเต็มรูปเลยทำอย่างเต็มไปด้วยอิทธิบาทด้วยเต็มไปด้วยอิทธิบาทเป็นอิอิทแม่อัตมาลืมไปยัญชนะอีกแล้วรวบรวมมาแล้วอิทธิบาทสี่ในพระเจ้เป็นเ่อเล่มนี้แหละเล่มสิบหกนี่แหละอัตมาพูดไปพูดมาไม่ได้คิดไปจะต้องเอาพวกนี้มาอ้างอิงก็เลยไม่รู้ไปหมกไว้ที่ไหน เศกระดาษของาตมาในเยอะเดี๋ยวก็ติ๊กอันนั้นไม่ติ๊กอันนี้ไว้อถึงเวลาควักออกมาอธิบายได้ก็ดีควักไม่ทันก็อย่างนี้แหละตามประษาควักทันมัง่งไม่ทันมัง่งจําได้มั่งกับบุญจําไม่เคยเก่งนี่เป็นรายละเอียดที่อาตมาว่าเอาหลักฐานเพราะพยัญชนะพวกนี้อาตมาตั้งเองไม่เป็นหรอกเป็นพยัญชนะของ เอามาอ้างอิงนี่ของพระพุทธเจา้าของธรรมะทั้งหลายของท่านนะซึ่งอาตมาก็เอามายืนยันอ้างอิงเพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนเป็นความประสรุนะอ๋อ น, นี้เขาอันนี้มาให้อิธิบาทเรียกว่าฉันทะสมาธิประทานนะฉันทะวิริยะวิรยิรยะสมาธิประทานนะ ประธาน ะ, เ, ะเป็นอิทธิบาทนะเป็นอิทธิอิทธิบาทรฉันทะสมาธิมันอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิมันมีอิทธิโดยหนะ้าสมวิริยะวิริยะสมาธิประธานทั้งขานเป็นทั้งขานด้วยเป็นฉันทะเป็นฉันทะฉันทะสมาธิประธานนังขานเป็นการปรุงแต่งอย่างมีอิทธิมีฤทธิ์เลยท่น หัวเรื่องท่านบอกว่าเป็นฤทธิ์หน้าเป็นอิทธิเป็นอิทธสี่อิทธิบาทสี่นี่แหละอันนี้เป็นอิทธิสีหรือชื่ออิทธิอิทธิสี่เลยอันนี้แหละสูตรอิทธิบาทสี่นี่แหละเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งนี่แหละเปการปรุงแต่งที่มีฤทธิ์เป็นอิทธิบาทสีด้วยเป็นกรรมัญญาหร ah. ือเป็นกายกรรมัญตา นี่ก็พยายามใช้พยัญชนะมายื น, นาายัน อ, อ้างนี้ไม่ใช่มาอวดดีอวดดีไม่ใช่อวดเก่งอะไรหรอกตรงท้ายนะ่ะตรงท้ายท้ายท่านจะสรุปในสูตรนี่แหละสูตรนี้แหละตรงท้ายท่านรวมเป็นชื่อสี่ชื่อเลยเป็นอิทธิอะไรเนี่ยตรงท้ายต้องไปลงไปอีกตรงท้ายท้ายของสูตรนี่แหละท่านสรุปไว้ทันคิดทีบาตรเออ ทะเลันทิฏฐิบาทวิริยทิฏฐิบาทบาอ้าววิริยทิฏฐิบาทจิตติดจิตติธิบาทอ่าเออใช่ดีแล้วช่วยช่วยผมคิดเขาขอบคุณฟื้นความจำนั่นน่ะฉันทิฏฐิมีอิทธิไงเป็นอิทธิคํานึงชั้นทิฏฐิบาทวิริยิทิฏฐิบาทจิตติดิฏฐิบาทอ่าแล้วก็มังมังสิทธิบาทวิมังสิทธิบาท วิมังสาวิมังสิทธิบาทนี่ใช่นึกออกแล้วนเป็นสังขารโดยเต็มๆเลยเนี่ยเป็นสังขารเป็นชันทะสมาธิประธานะสังขารวิริยะสภาสมาธิประธานะสังขารจิตตสมาธิประธานะสังขารวิมังสาวิมังสอ่าวิมังสสะสมาธิป ปถานะสังขารเนี่ยตัวสี่เนี่ยฉันทิติบาตวิรยิยติบาตจิตทิติทิติบาตมีมังสิติทิบาตสี่นี่คืออิทธิบาทจะเป็นมีฤทธ์มีแรงมีอำนาจของอิทธิบาทสี่จึงเป็นกายกรรมยตตาเป็นกายกรรมยตตา เป็นการงานที่คล่องแคล่วการงานที่บริสุทธิ์เพราะมันเป็นองค์ธรรมหนึ่งของห้าในอุเบคาเนคมะสิตะอุเบคาที่เก่งทาวรขึ้นบริสุทธาปริโยตาตามุตุกรมมัญญามุตุคือจิตจะวัยแวววัยคล่องแคล่วคือตัวมุทุนี่คือธาตุจิตที่มีลักษณะมุทุปแปล ว, ว่าอ่อนไหวแไววไวันะว ตอบได้ไวได้รู้ได้คล่องตัวเลยนรกว่าไวายวา ย, ยจริงๆเป็นคุณลักษณะบอกลักษณะของมุทุจึงเป็นกรรมัญญาจึงเป็นกายกรรมัญญตาและเต็มไปด้วยอิติอิธิสี่อิธิสี่ชันทิติบาทวิริยิติบาทจิติธิบาศ ว, วิมังสิติบาศสี่เลยเต็มจึงเต็มเป็นการสังขารนะสังขารอิธิบาทมีสังขาร น, นะ ในการทำงานนะไม่ใช่ว่าดัดสังขารโดยไม่มีสังขารนะมีสังขารที่เป็นอิทธิบาทที่เป็นอิทธิบาทมีฤทธิ์ด้วยนี่ถ้ามีมีสภาวัตมาขอยืนยันเลยว่าผู้มีมสภาวะอ่านตรงนี้นี่ยย้ายไม่ออกเอาไหมละ่ะอธิบายไม่ออกอธิบายกระจายความยังไงแต่อารมาขอภาอภัยอธมาอธิบายจัก สภาวาที่อาตมามีก็เข้าใจก็รู้พยัญชนะนี้ก็ครู้ความหมายนะครับก็อธิบายได้เลยซึ่งในนี้ท่านจะอธิบายในเรื่องของอิทธิบาทนี่มันได้แก่พัรษะอะไรอีกบ้างไม่รู้พยัญญ์ใหญ่เอาไว้ทั้งหลายคําอแล้วก็มีปกักคาฮะเอาวิเคปะอะไรอีกด้วยข้อมูลคลผู้บรรลุธรรมซึ่งอาตมา ก, ก็ยังได้จําไม่ได้หมดยึงมีอีกเยอะที่จะต้องหยิบมาพยัญชนะของพระเจ้าเนี่ย แต่ว่าอาตมามันมีสภาวะมันมีอยู่เก่าของเก่าพอมาได้พยัญชนะแล้วนี่มันไม่เดี๋ยวมาขยายเป็นภาษาไทยให้ฟังกันไงนะอันนี่ก็ขยายความไปซะเยอะเหตุจากคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าได้พยายามที่จะจุดประกายให้อาตมาได้อธิบายนะว่าอะไรอะไรพวกนั้นต้องบอกว่าคำว่าคุณแปดเจ็ดศูนห้าบอกว่า ให้ไปลองอ่านวิปัชนายานสิบอกเสมายจะเห็นว่ายานหนึ่งสองสามยังเป็นสมมติอยู่เพราะยังไม่เห็นปรมัตน์และเห็นอะไรกันเล่าคุณเออไม่เห็นปรมัศน์และเห็นอะไรยานหนึ่งสองสามอ่ะยานของคุณอ่ะคุณจะอธิบายไม่ได้แล้วคุณก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเดาเดา ว, ว่าอันนี้เป็นสมมติไม่ใช่ปรมาทัศน์ปรมาัศน์คื อ, ออนุนไปคุณก็เดาไปอาตมาบอกได้แล้วคุณเดา เป็นตะกะจริงๆเดานี่คือตะ ก, กะคาดแค่นี้โดนเดาขออภัยที่อาตมาพิพากษาคุณมากไปแม่พิพากษาว่าคุณผิดอาตมาถูกเนี่ยอาตมาก็เกรงใจแต่อาตมาก็ไม่รู้จะทําไงมันแต่ละลาบแล้วร่วงแล้วก็ขอโหสิก็แล้วกันน้ <c oughs> ล, ลาบแล้วล่วงไปไปพิพากษาว่าคุณผิดอาตมาถูกก็ขออภยัยนะ เอาเนี่ยจะมาได้ขยายความไปพอสมควรก็ขอสรุปเวลายอย่างเดีย อ, อีกนิดหน่อยยังไม่ได้เข้าไปสู่ไอ้อันเก่าของคุณตั้งแต่วันที่แปดนะวันที่แปดที่จะอะไรอีกก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะแม้แต่ในอันนึงที่อาตมาจะขยายอีกที่จริงขยายไปแล้วว่าเจโตปริยานสิบหกคำวิปัสนาญาณสิบหกที่วันนั้นได้พูดมาทีางแล้วที่คุณแปดเจสุหน้าบอกว่าอาตมาเนี่ย นาไม่เข้าใจเราเลยมาอธิบายให้กลายเป็นเอาของพรู้เจ้าว่าวิชาเจตัวปริยาณสิบหกพยายาจะโมเมชั่นอาตมาว่าพยายาจะโมเมชั่นให้หมายถึงวิวปัสสนาญาณหกให้จงได้ท้ออาตมาแยกออกชัดเจนคุณตั้งหากจะมาโมเมจับอาตมาไปบอกว่าไปเอามาเจตัวปริยานสิบกกับวิปัสสนาญาณสิบหกมามาเป็นอันเดียวกันคุณกําลังจับยัดมาให้อาตมาเป็นเช่นนั้น อาตมา ก, ก็บอกวเจโตปริยานสนะินงอาตมาโตชัดเจนจะตายเนี่ยในพระพธอินรเล่ม9ก้าเนี่ยคุณไปอ่านดูสิในสามัญพจนสูตรนี่ชัดสูตรอื่นก็มีนะเจโตปริยาณหมายถึงอะไรนะเจโตปริยานหมายถึง อ, า อ, าางอ่านได้ฟังก็ได้นะเปิดมาเจอพอดีนะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลตอ่อน อ้พวกนี้ปราศจากไม่มีกิเลสอ่อนปราศจากเจกลกิเลสพวกนี้แหละคือลักษณะองค์งธรรมของอุเบกขาอ่อนก็คือมุทุนั่นแหละควรแกาการงานอันนี้ท่านใช้คําว่ากรรมนิยะตั้งมั่นทิฏฐิไม่วันไหวอนเนชาอนเนชาปฏะเต่นี่เป็นพวกปริสุทธิเทมุทุมุทุปูเตกรรมนิเย ทีเตอันเนี้ชับตะเตแต่ก่อนนี้พูดบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาเตเตเตออะไรก็ไรล้ละนะยอน่อมโนมน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานโนมน้อมจิตไปก็คือพยายามปฏิบัติให้มันจิตมันเลื่อนไหลเข้าไปสู่ญาณต่างๆญาณที่จะรู้ว่าอะไรบ้างเธอย่อมกำหนดรู้ต้องใช้สัญญากำหนด รู้ใจของสัตว์ อ, คคอื่นของบุคคลอื่นด้วยใจใจของเราเป็นตัวไปรู้ใจรู้ใจด้วยใจแต่คนที่เผลนก็ไปบอกว่ารู้สัตว์อื่นก็ไปเอาตัวตนบุคคลเราเขาไปรู้ใจของบุคคลอื่นบุคคลอื่นคือเอาตัวตนบุคคลทางท่านที่บอกรู้ใจด้วยใจคือรู้ใจตัวเองด้วยใจของตนเองนะ แล้วประสัตตานังก็ดีประปัการานังประแปลว่าอื่นสัตว์อื่นคือสัตว์อีกอย่างหนึ่งต่างจากสัตว์ที่เป็นอยู่แล้วแล้วมีสัตว์อื่นเป็นอย่างไรอบายสัตว์ตวนรกสัตว์เทวดาเทวดาอุปติเทพเทวดาสมมุติคุณเป็นเทวดาสมมุติคุณก็รู้ให้ได้ว่าโอ้อันนี้เป็นอัญมณีโลโก เป็นเทวดาโลกโลกอะยังโลโกโลกีเป็นเทวดาโลกีเท่านั้นแต่เทวดาที่โลกอื่นเรียกว่าเทวดาโลกโลกุตระไม่ใช่โลกโลกีมีอีกนะนี่เรียกว่าปรโลกปารโลโกเพราะงั้นในทิฏฐิสิบคาว่าอยังโลโกปารโลโกผู้ศึกษาก็ยังรู้ธมทาทิฏฐิตัวนี้ไม่ได้แยกโลกนี้โลกอีกโลกหนึ่งคือปารโลโกไม่ได้ ก็ไปได้แต่ว่าโลกนี้ก็คือจิตวิญญาณอยู่ในใจใจอยู่ในใจนี่ตายแล้วใจมันออกจากร่างไปไปสู่โลกอื่นซึ่งเป็นโลกตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่โลกของปรมัตไม่ใช่โลกของโลกุตระไม่ใช่โลกของปรมัตธรรมที่เป็นโลกของโลกียะกับโลกของโลกุตระ เพราะเข้าใจโลกุตระยังไม่เป็นยังไม่รู้มันต่างกันอย่างไรถ้าคุณอ่านเนกขมมะไม่เป็นแยกอาการของจิตอารมณ์ของจิตความรู้สึกของจิตแยกให้เป็นจิตที่ลดกิเลสรู้จักกิเลสทาให้กิเลสลดจึงชื่อว่าเนกขมมะออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเมโมหะออกจากทินามิตะออกจากพุ่งสร้างออกจากนิวรณ ออกจางหรือเอามันออกออกในคำวานะ่ะออกทำออกคุณทำเป็นคุณก็เกิดโลกใหม่ถ้าโลกไปบำเลิอกิเลสอยู่มันก็เป็นอายังโลกโกเป็นโลกโล ก, กีแยกโลกนี้โลกใหม่โลกหน้าโลกข้างหน้าประประหรือว่าสัมปรายะเนี่ยปาราะยณ ะ, ะเนี่ย แปลว่าไปข้างหน้าสูงขึ้นจเจริญขึ้นไม่ข้างหน้าผู้เป็นตัวเป็นตเนเัาพบหน้าเดินไปสู่ที่ข้างหน้าจเจริญไปข้างหน้าคุณยังเข้าใจจิตคุณจเจริญไปข้างหน้าก้าวหน้าไปไม่ได้คุณก็วนอยู่ในโลกีย์อย่างเก่าเป็นแต่เพียงว่าเออมันสุข นี่มันทุกข์แล้วมันก็สุขทุกข์วนอยู่สุขสทุกข์ทุกโลกียอย่างเงี้ยบำเบลกิเลสต้งสุขสุขเงี้ยคุณก็ยังรู้ความเป็นเคหะสิตะเวทนาหรืออยังโลโกโลกโลกีคุณก็ยังแยกโลกโลกีแยกโลกโลกุตระยังไม่ได้เลยทิฏฐิสิบข้อห้าขอหกอยังโลโกปโรโลโกคุณยังเข้าใจไม่ได้คุณไปเป็นเดียร์ปิธรรมอย่างไรคุณก็พิจารณาสติปัฏฐานสีเวทนาในเวทนา ไม่ออกปฏิบัติไม่ได้แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกทำไม่เป็นมณศิการไม่เป็นจะเราจะไปหวังใกล้นิพานเข้าไปได้ยังไงมันไม่ใกล้นิพานเป็นเด็ดคับเอาละเวลาหมดแล้วเอาเวลาที่หมดนั้นให้ท่านเดินดินสรุปก็แล้วกันข อ, ขอบครับก็ค <c oughs> งจะสอดคอกับที่คุณเกเรนตลองเชิงพูด น, น, นะว่า แต่ดพี่ฟูเอ็ดพี่ฟูเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้ไม่ฉลาดเน่ยเรื่องในโลกนี้ในโลกกิยในโลกโล ก, กีเนี่ยไม่ฉลาดเรื่องโลกอื่นในสำปรายาภพหรือในภารโลกเพราะไม่เข้าใจอย่างทเห็นได้ว่าบางทีก็ต้องเอต้องน่าเห็นใจเหมือนกันภาษาภาษาที่เขาแปลเนี่ยเอรู้รู้จิตอื่น อย่างคําว่ารู้จิตอื่นเนี่ยถ้าอ่านของคุณแปดเจตูนาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขารู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวสวยเพื่ออยากให้คนอื่นมามองอะไรเงี้ยเขารู้ฟับทันทีเล <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นภาคสาวยืนยันได้ว่า <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเขาแล้วเขาภูมิใจมากเลยว่าอันนี้แหละคือคือเป็นความเก่งมากเลยที่เป็นเจโตปริยญาณ <c oughs> เข้าใจจิตอื่น <c oughs> จะเห็นได้ว่ามันออกนอก ออกนอกอะไรอ๋อเข้าป่าไปเลยที่ว่าไปเข้าป่ากิเลสแต่มันไม่ได้เข้ามาประเด็นที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างที่ว่าคนรับฟากฝังทำมาของตัดตำรุจและตัดตำรุจเนี่ยที่เป็นความแตกต่างก็คือว่าเราก็ลองดูว่าทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันเป็นไปเพื่อเข้าหาจิตใจนะเข้ามาเรียนรู้จิตใจของเราได้มากกว่ากันเข้ามาเรียนรู้กิเลสของเราได้มากกว่ากันเมื่อกี้อ่านดูข้อความที่มาบอกเอ๊ะทำไมโง่จริงๆอะไรเนี่ย แต่มาดูแว่นนี่นึกว่าได้ใครอยู่ไหนไปซ้ําเติมคุณแปดเจ็ดศูนห้าแต่ความจริงไม่ใช่คุณแปดเจ็ดูนห้ามาบอกเราว่าทําไมโง่จริงๆอะไรเงี้ยุณจะหมายถึงพ่อครูเขาโง่จริงๆหรือว่าเขาเป็นเจ็ดศูนย์ห้าเองอันนี้มาเขาบ้าวันนี้เขาย้อนมาจริงๆเลยว่าทําไมโง่จริงๆเลยโอ้ต่างคนต่างก็เห็นกันว่าโง่เนาะเห็นความโง่ของแต่ละคนเราก็เห็นโง่ของเขาเขาก็เห็นโง่ของเราเนาะเอาละคำว่าโง่คํานี้ก็แปลว่าฉลาดก็แล้วกันต่างคนต่างเห็นฉลาดของกันและกัน มันคงก็ต้องดูว่าจะชนะวันเปลี่ยนได้ครับคุณตัดจตสุน่าน่าจะบอกมาว่าพ่อครูพ่อครูเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเรื่องอะไรของเขาได้ไม่เข้าใจว่าเราก็บอกว่าเราเข้าใจก็ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อครับมันมันก็มันก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าให้แค่เข้าใจว่าไม่มีไม่ใช่ตัวตนซึ่งเห็นได้ว่าของเขาเน้นบัญญัติเน้นๆมากจะไปบอกไม่ดีก็ได้ไม่เป็นก็ได้ ไม่เป็นตัวตนกั็ไม่ได้ต้องพูดว่าไม่ใช่เท่านั้นอ่าไม่มีไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้เลยรู้สึกว่าทีนี้ถ้าเข้าไปสอนก็เป็นแสดงว่าเราเป็นครับถ้ามีแสดงว่าเรามีมันไม่ใช่ต้องไม่ใช่เมื่อภายมันคือชัดอยู่เหมือนกันเนาะใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีเป็นเออมันมันรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดสภาวะตรงนี้ไม่ใช่คือคําปฏิเสธเท่านั้นเองมันไม่ใช่พอไปแล้วบอกแล้วมันใช่หรือเปล่าไม่ให้พูดเลยเลยนึกถึงว่า อยนี้ถ้าเขไปสอนฝรัลล่งเนี่ยก็ต้องนึกภาษาเก่งนี่มันยากมากเลยที่จะให้มันตรงกับของเขาซึ่ง ม, มันเห็นได้ว่าแต่ทั้งหมดเนี้จริงๆแล้วที่พระครูมารยาทอธิบายเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะที่เขาศึกษาศาสนาพุทธเขาก็กําหนดเป็นเตียงแค่ว่ารู้บัญญัติเนี่ยเขาถือว่าเขารู้ศาสนาแล้วเขาท่องปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยเขาก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเขาก็เป็นแบบนี้ มันึกถึงพ่อครูเคยเคยไปโต้กับคุณอาจารย์สมัยแก้วสมที่วัดมหาธาตุก็อย่างนี้แหละไม่มีตัวไม่มีตนเขียนรูปวงกลมสามเหลี่ยมนจนจนจนมีคนอยากลองของว่าอะอาจารย์ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยผมมาบุหรี่จี้ขาอาจารย์ได้ไหมตัวตนไม่มีเนี่ยนะแต่เขาก็ปฏิพาณดีบอกว่าก็ได้แต่ขาผมไม่มีตัวตนมันอาจจะเตะคุณก็ได้อะารเงี้ยข้าพิธากออกนะแต่คือเห็นว่ามันก็เป็น ใช้ตะกะใช้ภาษาใช้โวหารเอาเข้าไปคักชนะคักขันได้เฉยแต่ไม่ได้มาบอกว่าเออเราจะเข้ามาอ่านจิตของเราอย่างไงจะเข้ามาลักิเลสอย่างไงมันมันไม่ได้มีเส้นทางนั้นซึ่งถ้าเราฟังคุณปัจเจตุนาเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจคือเข้าใจอย่างที่เขาใช้ตะกะภาษาเฉยว่าแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไงล่ะจะทําให้กิเลสมันลดลงมาอย่างไงแล้วเราก็เคยทักท้วงไหมว่าเส้นไหนบอกวิธีปฏิบัติของคุณมาหน่อยสิเขาก็เลยไปโหยกเรื่องมา เดินสัมรวมตาทำตาปกเหมือนพุทธรูปนะแล้วก็เดินไปเนเห็นเห็นคนเยอะแยะกับมันเห็นตัวทุกข์เห็นผู้หญิงก็เหมือนกับเขากาลังคิดสะพานยืดให้ใสะพานยืดให้โล่งว่างเลยเขาก็พยายามอธิบายการปฏิบัติของเขามาให้เรารู้วดตาอะไรหยุดติ่งหรือนิ่งหมดก็คือการปฏิบัติของเขาแต่ว่าเขาก็มาดูว่ามันเข้ามาอ่านจิตเจตสิกเห็นกิเลสลดละได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เลยว่าอันนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจชัดว่า ที่อาจารย์ว่าตัดว่าทำของสัตว์ตับหลุดและอาสัตว์ตับหลุดเนี่ยห่างไกลเหมือนกับฝากฝังคนลมหาสมุทรกันไปคนละเรื่องเลยนะแต่เราก็จริงๆเขาเราสึกว่าเขาก็สึกแบบนี้ฮะเราโง่จริงๆโง่จริงๆเราที่เอโง่จริงๆมันก็ไม่ต้องถามด้ว่าเราไม่เข้าใจเขาหรือเขาไม่เข้าใจเรามันก็ตัดสินตรงนี้ว่าเราก็บอกว่าเข้าใจเขาใจเ้านะครับแต่เขารู้สึกว่าเหมือนจะไม่เข้าใจเราเลยที่เราอธิบายเรื่อะแยอะ เราก็ไปจับแพะชนแก่บอกลงคุณหารอะไรไปคนละเรื่องอยู่ต่อเวลางันถ้าคุณแัดเจตุนาพยายามทําความเข้าใจอย่างที่พ ว, พวกครูบอกมาเนี่ยเราจะเชื่อว่าคุณแัดเจตดูนยาเนี่ยไม่ได้โง่จริงๆนะครับอันนี้ของเรื่องกราบขอบพระคุณพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแล้วขออนุโมทนากับพวกเราทุกๆคนก็จะเรียนทำ